อาจารย์ครับการรำมรจการครับผมเจาริ์ปอนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์วันนี้หัวข้อนี้คนมารอฟังเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วครับอาจารย์อาจารย์เทศตอนื่องห้าวันเลยนะครับก็มี้ครับมันหยุดก็ก็พูดไปตามเวลาตามการตามหน้าที่อาจารย์ไม่เหนื่อยเลยนะครับ <c oughs> มันก็ไม่ไม่ได้กําไหนื่อยะไรเพราะมันใช้แรงปากอย่างเดียวไม่ได้ใช้แรงกาย <c oughs> ก็พอทําได้ก็มีความสุขการแสดงธรรมนี้มันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการทําให้เรามีความสุขอย่างหนึ่งก็การแบ่งปันธรรมะให้แก่ผู้หนมันก็ไม่เป็นปัญหาครับพอทําได้กล่าวขอบพระคุณความเมตตาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับที่ผมตั้งหัวข้อนี้ครับอาจารย์คือเนื่องจากว่าสองสามวันนี้ผมเจอเหตุการณ์เยอะมากเลยครับ อย่างเมื่อวานนี้ก็อ่านข่าวรุ่นพี่ที่ลำปางอ่ะอาจารย์โตที่ไปช่วยคนจมน้ําที่อังกฤษก็อยู่ๆก็จมน้ําตายไปกับเขาเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันก็มีรุ่นน้องผมครับเป็นหมอสมองเหมือนกันครับอายุสามสิบกว่าเองรุ่นน้องสักสิบกว่าปีก็มาช่วยผมตรวจที่คลินิกเป็นประจําเมื่อวานนี้ก็เสียชีวิตอยู่ๆก็เสียชีวิตไปเลยครับแล้วก็ยังมีข่าวคนนู้นคนนี้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่า โอ้ข้อนี้มันใกล้ตัวเข้ามาทุกวันครับอาจารย์แต่ก็เลยกําหนดเวลาสักว่าสมมุติว่าถ้าเป็นปีสุดท้ายแล้วของของชีวิตของเราเนะครับตัวเราและญาติญาติเราเควรจะประพฤติปฏิบัติหรือคิดยังไงครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยห่างไกลจากาจความทุกข์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับขอบคุณหอหายไปหมได้ยินรึเปล่าได้ยินครับอาจารย์ครับโอเครับเดีย๋ยวผมเซฟเข้าไปให้ไปได้ คือถ้าเราไปกําหนดได้ว่าเราจะตายเมยื่อไหร่ก็ดีแต่ความจริงมันเรากําหนดไม่ได้ยันเราต้องสมมุติว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้เพราะถ้าเราไม่กําหนดแบบนี้เราก็อาจจะประมาณที่ว่าเยเรายังมีอายุอย่างน้อยยังแข็งแรงยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อย่างต่างๆงั้นเราก็อาจจะประมาทนะอย่างที่พระเจ้าท่งสอนพระอนุ์พระอนุ์เช้าวันหนึ่งเราลึกถึงความตายมาก น, น้อยเพียงไรพระอนุนก็ตอบว่าวัละสีห้าครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอนพระพุทเจ้าบอกว่าอนุ์เธอยังประมาทอยู่ เพาะความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายดังความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปานจมลงนอนนี่เองถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่หายใจเมื่อไหร่อย่างที่คุณหมอพูดมาคนที่ตายแบบไม่คาดฝันนะความ การตายแบบไม่คาดฝันนี้มันก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันปลุกปับตายไปมีปัญหากับสำหรับคนที่อยู่คนตายก็เพียงแต่ยุติชีวิตลงแต่คนที่ยังไม่ตายแต่รู้ว่าจะต้องตายเช่นเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ย แ, แล้วมีความมีการ ทำนายของหมอว่าอยู่ได้ออกเดือนมากอยูไ่ได้สามเดือนมากอะไรทำนองนี้อันนี้ก็จะเป็นการเป็นความทรมานใจมากถ้าเราจะต้องเจอเหตารณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรเนี่ยก็ต้องทําใจอย่างเดียวเนะอยอมรับความจริงว่าเราหนี้ไม่ท้นถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยหนี้ไม่ค้ยความตาย เราทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าใจของเรายังมีปัญหาความอยากความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายเรากต้องสร้างธรรมะที่จะมาสู้กับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ให้ได้ซึ่งธรรมะที่เราจะต้องมีก็คือสติสมาธิและปัญญาเองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะไปยืนอยู่ตรงจุดที่ว่าเราไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กลัวความเจ็บความตายเราก็ต้องเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันศึกษาวิธีเจริญสติเพื่อให้เราได้นัสมาธิได้เมื่อเรานั่งสมาธิได้ใจของเราก็จะทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าเรา ศึกษาทางปัญญาให้เห็นธรรมชาติของร่างกายนี้ว่าเหมือนไม่เที่ยงมีแก่แล้ต้องมีแก่มีเจ็บไม่ตายเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมครับไม่ให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องยอมรับความจริง หยุดความอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายให้ได้ถ้าเราอยู่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ถึงแม่ว่าเรายังไม่ยังไม่ตายยังไม่เจ็บเราก็ไม่เหนือดน้อนแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายพอถึงเวลาแก่เราก็เฉยได้เวลาตายเราก็เฉยได้เวลาเจ็บเราก็เฉยได้นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะ สอบผานข้อสอบของเราก็คือความจิตความใจนี่พิธีสอบผานก็ต้องเจริญสติกนกสมาธิให้เข้าชาญให้ได้ให้ใจมัอยู่เวกามากๆแล้วก็ออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาสนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเสื่อมต้องตายไม่ยกเวันแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นสิ่งที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุสี่ในน้ํำลมไฟแต่บางนย่างมันจะต้องยุติกันมันต้องแยกทางกันเรื่องถ้าเราทําใจได้เห็นด้วยปัญญาว่าถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจวิภาวะตัหาความอยากไม่แก่อยังไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะไป็นเหตุทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่มีวิพาอันาเราก็จะไม่ทุกข์ความแก่ความเจ็ความตเรื่องสิ่งที่เราต้องทําทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็ทำตั้งแต่ตวันนี้ไปอย่าไปราถึงเวลาว่าให้หมอบอกว่าเหลือเวลาอีกสามเดือนหกเดือนแล้วอยมาตาใจอันนี้ก็เข้าใจอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ แต่ถ้าเราทำให้แน่แก่อเตรียมตัวไว้ก่อนทำข้อเตรียมสอบทำข้อสอบไว้ก่อนพอเราเราทําได้แล้วเราก็จะสบายอาจารย์ครับแต่บางทีเนี่ยก็คือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยบางทีมันก็มันก็มีปัญญามาเหมือนกันนะครับว่าเออมันก็เป็นอย่าง ที่พระอาจารย์สอนมาตลอดแต่บางช่วงบางช่วงมันรู้สึกกลับมาวนเวียนไปภาพอดีตไปวางแผนอนาคตมันก็ทําให้เราทุกวุ่นวายอยู่อีกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เพราะสติเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อเนื่องเวลาที่เราเพลิดเลนสติเฉยมันก็จะเหล่าให้เราคิดไปถึงอดีตถึงอนาคตครับแลัวก็ไปวิตกกังวลหรือไปลืมความตายความเจ็บวางแผนอนาคตจะไปทําอะไร ทำนู่นทำนี่ไปนู่นมานี่กันถ้าผมมันก็ไ เ, เอาเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการเตรียมตัวนี่มันก็ไม่มีพอ <ทำ S 1> ถึงเวลาเข้ามันก็เลไไม่มีเวลาที่จะมาทำใจไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาครับผมครับผม ได้แนวทางว่าจะต้องทํำจเจริญสติและปัญญานะครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าในปีนี้มันเป็นปสุดท้ายของเราทุกคน<ช>วเวลาจะต า, า, ายเมื่อไหรก็ได้อาจจะเจ็บไข้ในปวดครุ่นี้นะหมอก็บอกคุณเป็นมะเร็งนะขั้นที่สามเลย<ช>ลคุณทำใจถ้าเราซ้อมไม่ก่อนเตรียมไม่ก่อนพหมอบอกว่าเอาไม่เปลาไผุพร้อมแล้วผ ม, ผมเตรียมอยูแล้ว ถ้าเราไม่รู้สึกวุ่นวายแต่่างกับทำพยากรของหลองเราจะสบายแต่ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเหลือเวลาแค่สามเดือนเราตกใจใจหล่นมาที่เท้าไม่มีกระจินจรกระจจะทำอะไรเครียดสับส น, นมาก่อนไม่รู้จะทำอะไรดีอัน น, นแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมเตียมตัวามาละทำข้อสอบข้อหนกั อาจารย์ก็มีเทคนิคที่ฝึกให้เราเนื้อลึกถึงเราทําใจได้ง่ายได้เร็วมั้งไหมครับอาจารย์ครับกเล็กบ่อยๆเลกถึงความตายอย่างพราะเจ้าสารอนุญาตอนอ น, อนหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายก็ดูลงไปแล้วก็บอกเมื่อไหร่ไม่เมื่อไหร่มันหยุดหายใจเมื่านั้นเราก็ตายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ครับเพราะมันมีเหตุที่มาทําใหไ้ไม่หยุดได้ หลายหลายเหตุการณ์ด้วยอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยจากอุบัติเหตุภายจากมนุษย์ที่ไม่ประสงค์ดีภายจากธรรมชาติภายจากโรคภัยให้เจ็บ ม, มันมันคอยจ้องทำลายชีวิตของเราอยู่ตลดอดเวลาที่แต่เราไม่คิดกันเราไม่มองกันพอมันมันมันมันบุกถึงตัวเราก็ตกใจ เพราะเราไม่ได้ตั้งใจเตรียมรับกันไปเวป็ น, เ ร, น, น, นเรื่องมายงเราต้องรึกถึงเรความตายว่าเกิดขึ้นได้เสมอตายช้าตายเร็วด้วยบางที่ก็ตายต่อปลุกปลัมถ้าตายแบบปลุกปลัมนมันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ทรมานนา น, น, นแค่แป๊บเดี๋ยวอาจจะตกใจแบบสุดขีดตอนที่จะตายแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าตายผ่อนสงวยระยะเวลา ย, ยาวหน่อยสามเดือนหกเดือนอันนี้มันก็ ส่วนหนก็ดีตอนที่มันยังมีเวลาให้เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเพราะขณะตอนที่เรามีร่างกายปกติจิตใจเราไม่วุ่นวายการปฏิบัติธรรมมันไม่รู้สึกยากแสน ย, ยากางั้นทำที่ดีก็ตอนนี้เรายังแข็งแรงจิตใจเรายังไม่วุ่นวายอ๋าเอาเวลามาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากันบ้า น่าจะดีกว่าอย่ารอยให้มันใกล้ตัวจนเกินไปเพราะอาจจะไม่ทันการก็ได้อาจารย์ครับอีกปัญหาหนึ่งของญาติครับคือญาติเนี่ยจะไปห่วงความรู้สึกของคนที่กําลังจะตายเนี่ยครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ไปด้วยนะครับแล้วญาตินี่ต้องมุมอมองอย่างไงครับอาจารย์ครับก็ญาติไม่ได้เห็นความจริงมาทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เรามีหน้าที่สนับช่วยเขาก็ช่วยเขาไปตาม ก, กํำลังหาหมออะไรถ้าถ้าเราช่วยเขาได้ทางด้านร่างกายเราก็ช่วยได้เท่านั้นพอไปหาหมอจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆทาด้า น, นจิตใจนี่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากให้กําลังใจเขาแม้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งอะไรอย่างนั้นได้ ได้คาตอบแล้วครับอาจารย์ครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ในความเมตตาครับอาจารย์ครับมีอีกคําถามหนึง่งอันนี้รุ่นพี่หมอฝากถามมาเลยครับเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เขาทําสมาธิไม่ได้มาสามปีแล้วเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่หมอท่านนี้ท่านไปถวายน้ปนาปานะพระอาจารย์ที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเตรียมผงโกโก้ไปโดยที่ไม่ทราบว่าโกโกนะ้นั้นมันมีนมผสมอยู่ครับด้วยความไม่ได้เจตนาแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาผิด มากเลยครับจนถึงวันนี้เขาก็ยังคาใจอยู่เขาก็เลยขอกลับเป็นถามอาจารย์ว่าเขาบาปมากไหมแล้วก็จะต้องแก้ไขยอย่างไรครับอาจารย์ครับเอไม่มากนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องการถือลาดเราก็ไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดถ้าถ้าเป็นบาปมันก็ไม่ได้บาปทั้งคือบาปทำให้สี่ท่าขางแต่ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้พลาดได้ปฏิบัติตามพระวินัย น, นี่ เพื่ออาอาหารไปถวายนอกเวลาฉันนั่นเอแต่พระท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านถ้าท่านรูท้ท่านก็ไม่ฉันเลยทานก็ไม่ได้เป็ น, ปนโทษเป็นภัยะอะไรต่อผู้รับแต่อยา่างไรงั้นอย่าไปกังวลไปกับเรื่องแบบนีบ้ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์จากพี่สมพรครับโยมนั่งสมาธิแล้วทําไมห้ามความคิดนี่โนู่นไม่ได้คิดตลอดการ น, นั่งสมาธิสิบนาทีหรือว่ามือใหม่ครับ ว่าไม่ฝึกสติมาก่อนนั่งเลยแบบแบบไม่ไม่เช็ครถก่อนว่ามีเบรกหรือไม่มีเบรกแล้วพอไปขับรถพอถึงสี่แยกไฟแดงจะเบรกเ้าเหยียบมันไม่หยุดเพราะเราไม่ได้เช็คดูว่ารถเรามีเบรกนั่นไม่มีเบกพอใช้รถแล้วพอเหยียบเบรกมันรถมันไม่หยุดก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกแล้วเราก็ต้องไปติดเบรกก่อน เป็นเบรก่อนแล้วเราค่อยมาขับรถอันนี้คือเบรกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราต้องหยุดความคิดที่ให้ได้ก่อนแล้วให้อยู่เปหน้ามานั่งแล้วมันจะหยุดได้ที่ไหนใช่ไหมดังนั้เราต้องไปฝึกหยุดความคิดตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งสมาธิหยุดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนื้อคอยเฝ้าดูการลขึ้นไหวาการกระทําต่างๆของร่างกายทุกเรียบ อันนี้ก็ช่วยลดความคิดอาจาจะไม่ได้หยุดแบบร้อยอร์็นตแต่ก็ทําให้ความคิดนี้เบาบางลงแบบลงมากมาจนเวลาเรานั่งเราสามารถที่จะบังคับให้มันอยู่กับกรรมฐานคือเราหายใจแล้วพูดธเถิดได้โดยไม่ได้คิดอะไรได้ยังต้องเจริญสติก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาถ้าวันเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ การจารจะสติได้ดีก็ต้องไปเป๋ววิเว้งคนเดียวไม่มีภารกิจการงานอย่างไรต้องทำถ้ามีภารกิจการงานใจก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจการงานพอปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวก็เผลอมันก็คิดลาามันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อคุณอัญชลีครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการรุนยาฆาตเป็นบาปไหมคะอย่างการรุนยาฆาตแบบถูกกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่ง ช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ต้องทรมานโดยความสมัครใจของผู้ป่วยครับผิดการฆ่าไม่ว่าจะเป็นวิวยเหตุผลกลไกใดนี่ถือว่าผิดทั้งหมดเป็นการทำ้ายชีวิตของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีและก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่ามันปัญหามันมันไม่ได้ถูกแก้ด้วยการทำ้ายร่างกาย เราทำทรมานนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจใจที่ไม่อยากเจ็บใจที่ไม่อยากตายมันก็เลยเล่นบนทรมานเราอยากจะหนีความทรมานนี้ไปด้วยกันฆ่าตัวเองหรือว่าให้คนอื่นฆ่าฆ่าเราเพราะว่าสิ่งที่เราต้องฆ่าคือความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายนะที่จะเป็นการแก้ปัญหาแบบถึงถึงลูกถึงคนเนื้อถึงต้นสาเหตุที่แท้จริง ถ้าเราฆ่าวิภาะทันหาได้แล้วเราก็จะหมดปัญหาถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่แล้วแก่แล้วเจ็บเราตายเราก็จะไม่เดือน้อยกัความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราฆ่าด้วยการฆ่าร่างกายไม่ได้แต่ฆ่า ต, ต้นตอเหตุที่ทําให้เราทรมานคือวิภาวะทันห า, า, หาเรากลับมาเกิดกี่ครั้งก็ยังต้องฆ่าตัวตายทุกครั้งไปเพราะมันเป็นวิธีการที่เราเกิดแก้ปัญหา นนไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องนั้นต้อมาแก้วิภาวตถาญาติหยุดวิภาวตถาถ้จะมีวิปภวตถาจะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่นั้นพรานี้เป็นเรื่องอริยสัจสี่เป็นเรื่องความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นพระองคเดียวเป็นผู้ขนสคนพพถ้าประเทศไหนไม่มีศาสนาพวธนี้จะไม่รู้จักอริยสัจสี่งั้นเขเขา ก็ เ, เลยถูกความหน่มคิดว่าออกเป็นความเมตตาที่เราช่วยบรรเทาความทรมานของคนไข้เรามไม่ต้องทรมานหรือบรรเทาความทรมานของสัตว์สัตว์ตเลี้ยงให้ให้เขาตายเร็วๆแต่ครามจริงมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันเป็นการโยนปัญหาไปสู่พบหน้าแล้วพหน้าก็จะต้องไปแก้ปัญหาเดิมเองซึ่งถ้าไม่มีพม่อพุทธศาสนาไม่มี คนมาสอนก็จะแก้แบบเดิมก็คือแก้กับแบบการปรมการค่าหรือว่าค่าตัวตายที่มีคําพูดว่าถ้าก้าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาค่าตัวตายค่าร้อชาติเพราะมันจะแก้โดยวิธีเดิมเคยแก้แบบไหนก็จะแก้แบบเคยแก้ปัญหาแบบไหนก็จะมาแก้แบบปัญหามันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะยาวไปเรื่อยเดี๋ยวย่าว่าจะห้าร้อยชาติถ้ายังทําต่อไป มันมันก็ต่อไปอย่างนี้มันก็จะติดอยู่ในวงจอรอุบาตเกิดมาแล้วพอเจอปัญหาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความปวดทรม า, ายของร่างกายก็ฆ่าตัวตายยานนี้ไม่ใชเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่ถ้ามองทางร่างกายอาจจะเชื่อเป็นวิธีที่ถูกต้องที่ว่าร่างกายเป็นผู้ทรมารย์ แต่ไม่ใช่หนั่งกายเป็นทุตนร่างกายมันไม่รู้เ<อ>รื่องร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันจะตายผู้ที่ไม่เจ็บไม่ตายกลับเป็นธรมานแทนน่างกายคือใจนั่นใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเหบร่านงกายไดห่อยแต่ความหลงหลอกทาให้ใจไปคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายแล้วก็ไปทุกข์แทนน่างกายไปธรมานแทนร <nephew> ่างกายเอ้ยยันถ้าเรา ตอนนี้ยุคนี้เราโชคดีเรามีวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องโดยทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามาทําใจกันมา ห, หยุดหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายกันต้องยอมรับว่ามันหลีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ได้ไปฝึนความจริงปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไป วิธีที่ทำให้เราไม่ทรมาร์กับความเจ็บความตายก็ฝึกสมาธิกันนาใจให้มีอุเบกขาแล้วใจเราจะรู้สึกเฉยๆกับความเป็นความตายของร่างกายคุณเจ้าเดินต่อไปครับจารเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําอย่างไรถึงจะชนะการมราคะได้เจ้าคะก็ต้องไม่ทําตามมัน ก, การที่เกิดกรรมราคะเราก็อย่าไปทําตามถ้าเราไม่มีกําลัง ไม่ทำตามมันเราก็ต้องหาอุบายอุบายที่พุทธเจ้าใช้ก็คือให้เรามองภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะการมาราคะมันเกิดจากเวลาที่เราไปมองไม่ไปคิดถึงภาพที่สวยงามที่เราถูกตกถุกใจเราเราก็ต้องไปมองภาพของร่างกายอันเดียวมันนะ่นแต่เราอิมุมหนึ่งมองภาพที่น่าเปลี่ยนหน้าขยะกขยังหรือว่า ไม่สวยงามเช่นมองโครงกระดูกของร่างกายบ้างมองดูเอาไว้ว่าภายในบ้างตับไส้ไส้ทวมปอดหัวใจลำไส้สมองหรือว่าดูตอนที่ร่างกายตายไปบ้างมีใครอยากไปนอนกับซากศพไหยมีใครอยากจะไปเสร็จกล า, างซากศพไหมก็มองว่าร่างกายที่เราอยากจะเสร็จการนี่ต่อไปมันก็ต้องเป็นซากศพไม่ใช่ไห ถ้าสามีเราแฟนเราตายแล้นี้คืนนี้เรายังจะนอนกับเขาต่อป่ะก็มเห็นเป็นอะไรเขาก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เพียงแต่เขาไม่หายใจนะตัวแข็งหน่อยนั่นเองมองร่างกายมันเป็นซากศพบา้างแต่เรายังอยากจะมีความอยากร่วมเพศสัมพันธ์กับซากศพหรือปะ่ะนั้นเรียว่าสุภาพการเจริญสุภาพอะไรนั่สุภาพในร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพการด้วย มันก็จะทำให้ความอยากคือกรารมลราค้าหายไปได้คุณสมพรครับอานิสงการสวดมนต์ตอนเย็นร่วมกันเป็นหมู่คณะทุกๆเย็นเป็นการปฏิบัติธรรมแบบใดครับเป็นการบังคับเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าให้สวดคนเดียวนี่ไม่รู้ว่าสวดหรือเปล่านี่ตามมาัดต่างๆนี่ต้องมีกดให้มารวมกันสวดเพราะารู้ว่าถ้าถ้ายากันสวดแล้วมักจะไม่สวด เพราะไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นแทนไปนอนไปเล่นไปดูไปฟังอะไรกันทางวัดก็เลยต้องมีกฎทางวัดชาวัดเย็งเพื่อบังคับให้เรามาทําวัดส่วนมวตกันแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์นี้คนจะเป็นเรื่องของของของแต่ละคนดีกว่าสวดเป็นกลุ่มมันก้็มันมันมันไม่สงบหรอกการสวดมนต์นี่ไม่ให้ใจเรสบสงบในการจะสงบนี้เราต้องยึดวิปปิ้วเวอยู่คนเดียว แล้วก็สวนเพื่อหยุดความคิดต่างๆใจของเราจะได้สงบแล้วนั่งสมาธิต่อได้แต่ถ้าเราไปนั่งไปนั่งสวดค น, นกันเดี่ยก็ไปเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็อบคุยกับเขาไม่ได้หรือเอาวิพา์วิจยัยคนนั้นคนนี้ไม่ได้จิปปตปลุูแตกพุ่งข้ากันสิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่แท้จริงเรื่องการภาวนาไี่ต้องเปรกนีเวยอาจจะสวดมนต์สวดคนเดียว แทนในการเป็นการเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิไงถ้เเาเรานั่งสมาธิเราใจเราคิดฟุง้งซ่านก็ลองส่วนมนเปกขึ้นจะมองช่วมงมงดูก็ได้อันนี้ก็จะช่วยหยุดควาคิดได้ในระดับเนี่ยพอที่เราจะทําให้เรานั่งดูคมหมายใจเขาออกมุขโตมุขโตนะนี่คือความหมายนี่คือหน้าที่เะาไปอยู่ของการสวนเนี่ยเป็นการสาร้างสติเป็นการบรรเทาความคิดฟุง้งซ่านต่างๆให้มันเบาบา เพื่อที่เราจะได้มีมีกําลังพอที่จะเอามาดูลงหายใจเข้าเพื่มาบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ให้ใจเท่าสุนสมาธิได้นันการปฏิบัติทําระดับนี้ต้องทําแบบเปลี่ยวๆตามวัดป่านั้นยังไม่มีมาตรวจนทำว่าเา้าว่าเย็นให้ปฏิบัติกันเองจะสวยก็ได้หรือจะนั่งสมาธิอะไรก็ได้ถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวย แต่ท่านจะมารวมกันก็จะมาฟังการอบรมของกูบาอาจารย์นั้นัซึ่งหลังจากกูบาอาจารย์ท่านจะเรียกประชุมเท่าไหร่อาจารย์เรียกมาแล้วเรามานั่งนั่งอยู่ในท่าที่สำหรับฟังธรรมฟังคําสอนของท่านวัดต่าจะรวมกันแค่เฉพาะเวลามาฟังเทศคํธรรมกันคือที่วัดต่ามั่นแต่ทวัดอื่นวันป่าบางบางแห่งก็อาจจะไม่มีกูบาอาจารย์อบรมสั่สอนแล้วก็เลยบังคับให้มาลง วัดพรส่วนบุญกันก็มีแต่ถ้าว่าที่มีครูบาอาจารย์นี่ท่านจะไเรียกว่าอรบรมสั่งสอนมาแสดงทําให้ฟับอาจารย์ครับอย่างลงตานี่บ่อยไหมครับอาจารย์ที่บ้านตานี่ครับยุคที่เราไปช่วงยุคปีแรกๆเนี่ยเพราะนั้นท่านยังแข็งแรงแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากญาติโยมที่จะมากราบท่านมามาขอธรรมะจากท่านยังไม่มาก ท่านก็นจะเรียกว่าชุมมานั้งสี่ห้าวันทั้งนี้ถ้าท่านจะไม่บอกด้ า, าวันจะประชุมเมื่อไรเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกเวลาพอท่านส่งสัญญาณส่งให้พราะมาบอกพระนี่ท่านรีบไปที่สารททาทันทีเพราะบางที่ท่านไปนั่งรอเรา อ, อยู่นะแล้วก็วทําให้เรานี่ต้องค่อยมีสติค่อยเตรียมตัวเลยว่าวันนี้จะประชุมเมื่อไม่ไม่ไปทํากิจเนี้ยเลย ที่ไม่ควรทําเดี๋ยวพอท่านเรียกประชุมรอบนี้บางทีมาไม่ทันท่านจะไม่บอกล่วงหน้ า, าวันนี้พรุ่งนี้จะประชุมไหยวันนี้จะประชุมไหมท่านไม่บอกพอจะเรียกประชุมท่านจะบอกท้าอุปถาให้ไปไปบอกพลาทันทีเลยแล้วต้องรีบมาภายในห้านาทีสิบนาทีแล้เร า, าถึงจะลาการต่อมา ตท่านก็เริ่มมีศรัทธาญาณโยมรู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นท่านก็ต้องมีเวลาแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาณโยมพุทธายาณโยมมากขึ้นแล้วสุขภาพของท่านก็เริ่มเริ่มเสือ่อมเพราะฉนั้นท่านเป็นโรคหัวใจโรหัวใ จ, ก, ใจก็เลยทําให้ท่านไม่สามารถแสดงธรรมแบบสามสี่สี่ห้าวันครั้งหนึ่งได้ก็เลื่อนเป็นเจดวันแล้วก็เลื่อนไปเป็นสิบห้าวัน บาทีเรื่องเ ป, เป็นเดือนเลยก็มีเมื่อท่านฉลาดท่านมากเป็นอายุท่านมากขึ้นก็ท่านบอกว่าพอดีจังหวะนั้นโชคนีมีคนถายเครื่องเล่นแคดเซ็ตให้พระแล้วก็ทที่ท่านจนาก็มีการบันทึกไว้เป็นในแทร็กแเซ็ตเทปสมัยนั้นมีแต่เทปแ s ดเซต็ตคเซต็เซตนเนี่นยแล้วก็ า, การฟังเทปผ่านเครื่องแฮนดี้มาฟังจากท่านโดยตรง ก็พอบันเทาได้บ้างแล้วก็มีหนังสือธรรมะเหมือนกันที่ท่านเป็นแจกก็สามารถอ่านทนได้แต่ถ้าก็ยังห่วงไม่ได้บางทีท่านบางทบีบางทีท่านรู้สึกไม่ควา้าบางทีท่านก็อยากพยายามถอดสังขารทานออมามามางสับสนด้วยความห่วงใหญ่คุณกิจกมลครับการ มรณะนุสติตลอดเวลาดีที่สุดไหมครับดีเสิมันจะน่าทำให้เราไม่หลงนะบางทีทุกวันนี้เราลืมตายกันเลยเราทําอะไรวางแผนกันแทาเป็นแทบตายจะสร้างนู่นสร้างนี่จะมีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านวางมันอย่างดีลืมว่าเราลอดตายไม่เอาไปได้หรือเปล่าทั้ทงหมดของต่างๆที่แเราอุตสาห์ท่าเป็นแทบตายอย่างที่คุณหมอหล่อข้อน้ำเหลวว่าตายแม่อาอะไรกิได้หล่า แต่ถ้าเราพิจารณาความตายแล้วเราอโอ๊ยมันต้องเปลี่ยเป้าหมายนะแทนที่จะวางแผนสร้างความหน้ามวยสร้างทรัพย์สมบัติเข้าของนะครับไม่ต้องวางแผนวิธีสู้กับความตายน ะ, เ ร, ะเราจะทํำไงจะตายอย่างสงบจะตายอย่างไม่ทุกข์อันนี้มันจะเตือนเตะแล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราก็คือการการสู้กับความเจ็บความตายนี่ คุณนิตยาพรครับถ้าเราเอาปลาแซลมอนไปวัดได้ไหมคะเป็นปลาที่ไม่สุกทานดิบครับอ๋อทอยของดิบไม่ได้เนื้อสัตวดิบเนื้อถั่ไม่ได้ไข่ดิบก็ไม่ได้เนื้อไข่ครึ่งดิบครึ่งสุกก็ไม่ได้เช่นพวกไข่ดาวที่ไข่แดงมันยังยังเป็นน้ำยังเหลว อ, อยู่ยถ้าจะทําไข่นี่้อให้มันแข็งเช่นไข่เจียวอะไรต่างต่าหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไข่ให้มันไข่แดงแห้งไปเลยจะทนเป็นยวงไม่ได้ เนื้อแบบสุกๆด็ดๆก็ไม่ได้ที่ว่าเนื้อน้าตอกอย่างเงี้ยยังมีเลือดซีบๆอยู่อย่างเงี้ยเป็นภาวินัยอันเราคิดว่าเป็นเรื่องของของของทางการแพทย์มากกว่าทางสุขภาพเะของเด็ดพวกนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรอยู่ซึ่งสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลอาจจะมีคนเจ็บไข้แน่ป่วยจากการกินของเด็ดแบบนี้พทุทธเจ้าก็เลยส่งห้า มีดิ s t ทเรียมีฮะมีเชื่อต่างที่จริงก็กไปแล้วจะทำให้ทขาเสียเรื่เจ็บไข้แน่ๆตัวไม่มา ก, ก็เลยไม่ให้ถวายเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกเต็มที่ต้องให้เนื้อสัตว์นี่สุกเต็มที่เพราะเนื้อสัตว์ที่สุกเต็มที่มักจะฆ่าเชื้อไปในตัวได้ใช่ไหมคร <Okay. S 1> ับยังสุกๆอีก่เดือนนี้างทีเชื่อเราไทยท่ามีอยู่เนื้อสัตว์มันก็ยังไม่ตาย พอกินเข้าไปมันก็เข้าไปทําลายร่างกายของคนกินอีกทีก็เลยไม่นิยมต่อใของที่เป็นของที่ที่ยังสุกๆดืด่มแต่คุณวริยาครับเกิดความกลัวขึ้นมาและจะขจัดความกลัวอย่างไรครับก็เนี่ยแหละก็ต้องมาทําใจว่ากลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตายถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไร ที่เรากลัวว่ากลัวตายกันกลัวเจ็บกันแค่นี้นคุณแจ็คครับถามพระอาจารย์ครับมีบางคนอ้างว่าเห็นพูดผีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับคือคนที่เห็นจริงก็มีคนที่เห็นไม่จริงก็มีคนที่เห็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าพวกที่เข้าอุปัชจลักษณะที่นี่แต่ท่านก็ไม่เรียกว่าผีท่านก็เรียกว่ากายทิพต่างๆ เป็นแปลงบ้างก่อนี้เป็นอสูรร่างกายบ่างก่านี้เป็นเทวด า, าบ่างนี้ผูน้นี้ถ้ามีตาที่จะเห็นได้ผู้ที่มีอุปจาระราอภินยานี้จะเห็นได้เพราะพระพุทธเจ้าเห็นเห็นกายทิพของมารดาท่านเห็นผีของมารดาท่านผู้ภาษาชาวบ้านได้เห็นผีของแม่แม่ตายไปแล้วก็ตายไปตั้งหลายสิบปีแล้วตายไปตั้งแต่เจ็ดวันท่านเกิดมาเนี้แล้วท่านตัดสโลธรรม เมื่ออายุสาสิบห้าปีท่านได้ค่อยไปไปหาคน้นหาแม่ที่มาเจอแม่ในในสวรรค์แล้วก็สามารถติดต่อกับแม่ของท่านได้แสดงธรรมจนแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ทุกคืนโนร่า็แสดงธรรมให้กับพวกพวกการทิ่จะมาฟังอยู่ทุกคืนนี่คือเห็นจริงไอ้พวกอีกพวกหนึ่งที่เห็นไม่จริงก็คือก็คือมโนไปเองคิดไปเองอันนี้อุปทาน เห็นอะไรแปบๆน่ะหมอผีมานะเห็นใบไม้เราไปอยู่ที่เปลี่ยวๆองเดียวเลยได้ยินเสียงอะไรหนเกเป็นเสียงผีมาเห็นกิ่งไม้ตกก็คิดว่าผีมาแลบางทีจัดเดินเหยียบก๊อบก๊อบก็คิดว่าผีมาเดินมาหาเราอันนี้เป็นอุปทานมาจากความกลัวคุณก้าวเดินต่อไปครับไม่สามารถพิจารณาอสุภะได้เลยค่ะไม่กล้าแม้แต่จะมองต้องแก้อย่างไรคะ จิตเรายังไม่แข็งพอยังไม่มีอุเบกขาพอต้องฝึกสมาธิให้มากๆก่อนให้จิตโดนเป็นสมาธิให้มีอุเบกขาแล้วจิตจะวางเฉยได้เวลาดูของที่น่าเกลียด น, น่กกากลัวเช่นความตายท่าศพเลยดูสุขะดูอวัยวะต่างๆจะจะไม่รู้สึกเดื อ, อาาาาดร้อนไม่ทานักศึกษาแพย์ก็ดเหมันได้มันต้องบังคับใจ พราว่าอยากจะจบแพทย์ก็ต้องดูนะทุกทุมั่นครับเนี่ยแต่ดูเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองพอมันดูเสร็จก็ไม่ดูอีกแล้วเนี่ยต้องดูตอนเรียนครับอาจารย์ต้องเข้าใจทั้งหมดครับแต่ตอนผมเรียผมก็ไม่กลัวนะครับอาจารย์ดูได้สายเพราะว่มีสมาธิมีอุเบกขาพอที่จะดูสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะถึงคนถึงถามด้วยอว่า การที่เราจะพิจารณาปัญญานี้เราพิจารณาตอนไหนดีก็ต้องร้อยให้เรามีอยู่เบิกขาพอที่จะดูของที่มันมันน่าเกลียดน่ากลัวของที่มันน่าไม่น่าเกลียดน่ากลัวดูได้เช่ห็นเห็นแสงไฟเกินดับเกินดับนี่แต่ว่าเป็นไม่ปรัสนามันก็ใช่แต่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สะเทิอนใจแล้วมันต้องดูเรื่องที่มันสะเทือนใจเราคุณกิติศักดิ์ครับ ถ้าเราทำบุญมากแต่ตอนตายจิตสุดท้ายคิดไม่ดีเราจะตกนรกใช่ไหมครับไม่จำเป็นหรอกมันมันมันไม่ได้ถ้าทำดีมาตลอดมันจะมาคิดไม่ดีไม่ได้ถ้าต้นมันดีไปมันมันจะไม่ไม่ดีไม่ได้ยิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราบ่นโงกันไปเองอยงเวลาเราตายไปนี้ความดีกับความไม่ดีมันจะมาบวกลบคูณหารกันอย่างนี้เลยครับขึ้นอยู่ก็ว่า ส่วนไหนมีมากกว่ากันถ้าฝ่ายไม่ดีมีกําลังมากกว่าฝ่ายไม่ดีก็จะเด้งลงไปนรกได้แต่ถ้าฝ่ายดีมีกําลังมากกว่าฝ่ายดีมันก็จะเด้งลงไปสวรรค์ไปนิพพานอย่านะโมกุลินานี้ข้าคนมาตั้งเก้าร้อยเกาสิบเก้าแต่มาสร้างมาสร้างมนสร้างมากจนบรรลุถึงว่านิพพานก่อนตายเพราเวลาตายกําลังของความดีมันมากกว่ากำลังของความชั่วกําลังของความดีเึ้ง ใจของของผู้เรียนมาไปนี้ผ่านยัไม่ต้องมากันวนกับคำ ว, ว่าจิตสุดท้ายขรอคิดสุดท้ายนะอันนี้เป็นการพูดไปตามมโนกันมากกว่าจิตสุดท้ายมันก็อยู่ที่ผลลัพธ์ของความดีความเชื่อของเราที่เรามีอยู่ในใจถ้าผลลัพธ์มันออกมาความชื่อมากกว่าความดีมันก็คิดถึงความชั่อได้คิดถึงเรื่องไม่ดนะีแต่ถ้าความดีมันมากกว่าความเชื่อ มันก็จะคิดแต่เรื่องดีตอนที่ตายเพราะฉะนั้นสังกัชาก็เยอะกันนะถลานมีกําลังมากกว่าไก็จะเดินไปทางมันจะไปทางไม่ได้ถ้าฝ่ายคิดดีมันมีกําลังมากกว่าก็จะเดึงให้ไปคิดในทางที่ดีถ้าฝ่ายนคิดไม่ดีมันดีมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดีได้ดันพยายามทําความดีให้มากๆไว้เถอะแล้วเวลาตายไปทให้ความดีมันมากกว่าความไม่ดี ก็จะไปอาจารย์ครับวันนั้นผมฟังจิตเวชไ อ, อจิตคุณหมจิตแพทย์ท่านหนึ่งเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ครับอาจารย์เป็นฝรั่งนะครับเขาเล่าประสบการณ์ว่า nearly dead experience ครับอาจารย์อืเขาบอกว่าเวลาพอจะตายเนี่ยภาพที่เป็นปตั้งแต่เกิดมันรีวิวมันรีวิวในหัวเราในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแบบแกมชันชครับมันเป็นอย่างไงเนใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันก็ไม่รู้นะตอนยังไม่ตายเราไม่ตอบได้ แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยามเหมือนกันว่ามันภาพยนต์มากจะทําแบบนี้ให้ดูขณะคนจะตายเขาก็จะมืนกับจิตเราเลกถึงถึงเหตุาการกต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่การมาทำในฝา น, นตา ย, ตายซึ่งมันเราก็ไม่รู้่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านี่นครับแต่เขาพูดก็ฟังผอว่าผโไปก็แล้วครับครับผมน่าสนใจผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับพุทธศาสนาเลยครับอาจารย์ว่าทายังไงมาก็เห็นภาพตัวเองทํามาอย่า ง, งนั้นครับใช่ คุณไกรเลิกครับขอการเรียนถามครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักของเหตุผลเหตุใดพระพุทธองค์จึงลําดับผลก่อนเหตุในอริยสัจทุกเป็นผลจากเหตุคือสมุทยัยนิโรธคือผลจากเหตุคือมรรคครับว่าทุกเป็นตัวสําคัญทุกเป็นปัญหาก็เลยต้องการเน้นปัญหาก่อนว่าพวกเราทุกคนเกิดกิดมาแล้วต้องทุกข์กันแล้วก็ถึงบอกผลถึงบอกเห็นว่าทําไมเราถึงทุกข์กันก็เพราะตัณหาความอยาก ถ้าพพานสุดจากรูปเสียงกรินมันมันทำให้เราต้องมามีร่างกายกันมเกิดกันนั่นเป็นสำคัญเราเรื่องการแสดงนี้บางทีคนมาตสดใจเริ่มที่มันไม่ไม่ใช่เป็นสาระประโยชน์ที่แท้จริงบางคนก็โทษว่ามักปรมักแปรมปเรื่อมที่ปัญญาสมาธิิทําไมสิ่สมาธิปัญญามาเริ่มที่เสียก่อนแล้วค่อยไต่เต้าไปปัญญามันก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะแสดงแล้วแต่ ถวามเหมาะสมของการแสดงว่าแล้วแต่ว่าท่านจะจะเน้นอะไรก่อนแล้วเน้นอะไรนบท่านน่ก็อยากไม่สาคัญตามได้ที่มันครบองก็แล้วแเพราะมันครบเหตุครบผลก็แล้วแต่ไม่แสดงผลแต่ไม่มีอยู่างนี้ก็น่าน้ า, า, ากังวลไม่แสดงเหตุแต่ไม่บอกว่าผลเป็นอะไรมันก็ไม่ครบองแต่ถ้าไม่ครบองค์จะแสดงผลก่อนกแล้วค่อยมาสืบสาวเรื่ม เหตุที่หลังก็ได้เราเคยดูภาพยนตร์ไม่ใช่บางทีก็เอาผลเกิดขึ้นก่อนมาภาพยนตร์ที่เป็นเกี่ยวกับนักสือเนี่ยก็มาจับคนตาย่าเป็นผลออกมาก่อนแล้วก็สืบไปหาคนที่ฆ่าค น, คนคนตายผิดมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าจะมาเรื่องที่เห็นเราเป็นนักสืบสอบสวนอะไรแต่ยังไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีคนตายจะไปสืบหา ไ, ได้ถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่รู้จะไปหาต้นเหตงกับความทุกได้ไหนใช่ไหม ผุกจะะ้าเราต้องสนักทุกก่อนอันนี้เป็นการวิเคราะห์อของเราครแต่ไม่สําคัญเราไม่เคยคิดถึงเรื่องราวแบบนี้นะแปลกไม่สําคัญอะไรมาก่อนมาครับเอาว่าหมดถุกก็พอ <c oughs> ขอให้รู้อะไรเป็นอะไรก็แล้วกัน <c oughs> คุณดิวครับมรณาแล้วเหมือนจะเห็นผีเลยไม่ทําเหมือนดิ่งมากเลยครับกลัวผีครับจิตตรงนั้นมันคืออะไรครับ <c oughs> ก็จิตโกนจิตไม่มีสติสตเณต์ต้องฝึกสมาธิก่อนฝึกสติก่อนแล้จิตนิ่งเฉยให้ได้ก่อนแล้วค่อยจารนวา น, านุสติพิจารณาตามตายอางั้นจิตมันจะมีปฏิกิยาแปลกๆบางคนก็เกิดอาการหดหู่ไม่มีกระติดกระใจที่จะทำอะไรก็มีซึมเศร้าเลยก็มีถ้ายังทำไม่ได้ก็อย่าเพื่เพ้อปัญญาแร อย่า t h ี s ต้องให้คนไข้ที่มีกํำลังสู้กับยากต้องมีสมาธิในเวลาขาถึงจะมีประโยชน์ไม่งั้นจะเกิด่วยกับจิตใจคุณโยครับคนไข้ไตาวายระยะสุดท้ายบ่นอยากตายทุกวันที่มาฟอกไตเราจะปลอบประโลมคนไข้อย่างไรดีครับเพราะต่อให้อยากตายอย่างไรคนไข้ก็ยังต้องมาฟอกไตยอยู่ดีจะพูดให้เขาทําใจอย่างไรดีคะ ไม่ต้องพูดแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปจะทำไงได้ล่ะเขาบอกว่าเขาทาใจว่าเขาไม่อยากเขาอยากจะตามเราไปห้างมันได้ยังไงคุณแก้วครับสัตวผู้ที่ไม่ค่อยปฏิบัติและไม่ชอบเข้าวัดมาก่อนช่วงสุดท้ายของชีวิตควรทําอย่างไรถึงจะให้เขาเข้าถึงธรรมได้ครั บ, ร บ, รบไม่อยากที่พูดอยากพูเราช่วงสุดท้ายเลยตอนนี้เข้าถึงธรรมได้ตอนนี้เรียกเข้าหาธรรมก่อนเลย เพราะว่าถ้าไม่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนว่ถึงเวลามันจะมันจะไม่มีเวลาผูกในตอนนี้ก็หาธรรมเนี่ยเี่ยที่เข้ามาฟังรายการเนี่ยเป็นการเริ่มต้นมาศึกษาธรรมก่อนศึกษาแบบไม่ต้องเข้าวัดก่อนแั้นเราไปไปปฏิบัติ ด, ดูเราปฏิบัติทด้ชั้นวิญญาณงด้ได้ผลดีก็อยากจะเข้าวัดเองโที่ไม่ต้องมีใครมาวางคับเพราะรู้ว่าที่วัดที่เป็นวัดปฏิบัตินี้เป็นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้าน คุณเก๋ครับจะวางใจอย่างไรทําให้เราไม่ทุกข์เมื่อมีเรื่องให้ทุกข์เข้ามาคะวางใจให้เป็นอุนเบกขาเฉยเห็นอะไรก็เฉยไม่ไปรักไปชงังไปกลัวไปเลยก็เราฝึกสตินั่งสมาธิหนึ่งให้เกิดอุเบกขาขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมมังคับไม่ได้อะไรจะเกิดเราจะดับเราไปห้ามมันก็ได้สิ่งดีสิ่งชั่วจะเข้ามาให้เราสัมผัสรับรู้เราก็ไปสั่งไปเลือกไม่ได้ การเข้ามาแต่ถ้าเรามีอุเบกขามีปัญญาแล้วก็จะเฉยได้คุณอีทครับอยู่กับลมหายใจตลอดถูกต้องไหมคะก็ไม่ถูกาถ้าเวลาทเจริจสตินี้ถ้านั่งสมาธิก็ดูลมตลอดได้แต่เวลาอื่นก็า จ, จะต้องดูที่น่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ไม่ได้พูดว่าดูลมตลอดตอนไหนตอนนั่งสมาธิหรือตอนปฏิบัติถ้าถ้าดูลม ถ้าจะใช้การดูลมในการจารันส ต, ติทั้งวันทั้งคืนนี้ก็รู้สึกว่าจะยากกว่าการดูร่างกายควาเรดูร่างกายจะง่ายกว่าดูการเคลื่อนไหวต่งางๆของร่างกายเพราะลงบนลายเอียดบางที่จับไม่ได้ถ้าเราเคลื่อนไหวเราทําอะไรมันจะดูลมได้ยากให้ดูงานที่เรากาลังทำอยู่เป็นการเจารันส ต, ติแต่พอเวลามานั่งเนี่ยเราสามารถดูลมตลอดได้ คุณกิกครับตอนนี้ไม่มีเวลานั่งทําสมาธิเพราะมีครอบครัวความเป็นส่วนตัวหายหมดแต่หนูมาใช้การนึกในใจทุกทีตอนทีมงานจนจิตมันจะนึกขึ้นได้เองบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาเวลารถเพราะมันกลัวก่อนตื่นนอนก็จะมีพุทโธออกมาก่อนแบบนี้เป็นการทําสมาธิที่ดีได้ใช่ไหมคะก็เป็นการฝึกสติไปก่อนการทาสมาธินี่งนั่นินั่งเฉยๆหลับตา กายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งได้ถ้ากายเคลื่อนไหวนี่ใจจะนิ่งไม่ได้ใจใจก็ต้องเคลื่อนไหวเพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวดังนั้นต้องการให้ใจเป็นสมาธิที่ตรองนั้นนั่นกายต้องนั่งเฉยๆก่อนแล้วก็มีสติอยู่กับลมแลยู่กับพุทโธอย่าให้ใจคิดอะไรอันนี้ก็จะได้สมาธิต่อไปคุณรัชนาครับ การมการพระคุณเจ้าค่ะเราพร้อมทุกวันที่จะตายแต่รู้สึกว่ามาช้ามากมากเลยเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วที่ทุกคนอยากมีกันเราคิดว่าเราทำสำเร็จแล้วเลยเบื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีๆทุกวันเหนื่อยมากครับนี่ก็เป็นปัญหาเนีเป็นความอยากตายก็เป็นภาวะตัณาความอยากไม่ตายก็เป็นวนิภวตัณหานั่นเราต้องอยู่ระหว่างสองความอยากนี้ อย่ารปอยากตายนี่อย่ากป Allah, อยากไม่ตายปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ให้มันตายไปตามธรรมชาติอยากตายแล้วไม่ตายก็ทุกข์ขณะจะตายแล้วไม่อยากตายก็ทุกข์ยิ่งต้องอยู่ระหว่างความอยากทั้งสองอย่างนี้ถ้ามันอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันตายก็ให้มันตายไปชเฉยวางใจให้มันช้เฉยอย่าไปอยาก คุณสุปตาครับหนูยังรักสวยรักงามยังชอบแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าสวยๆรู้สึกผิดค่ะว่าทําไมเราคิดไม่ได้สัทีอยากได้คําแนะนําจากอาจารย์ค่ะบถ้าคิดว่าเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยไปห่ออะไรถ้าไม่ใช่ห่อสดห่อสดที่ยังเดินได้เท่านั้นเองพอร่างกายที่เต็มไปด้วยปฏิคูลแต่เสื้อผ้าซักครั้งหนึ่งเราเหม็นนี่ไหมเสื้อผ้าสวยๆงงามขนาดไหนเดี๋ยวเหนือที่ไหลออกมามันก็ซับจิดเด่นอยู่กับเสื้อผ้าแบบใครสบปรก ผลเดียวกันต้องเรียกบอกไปสักนะการที่เราอุตส่าห์เสียเงินเสีอทองเป็นเป็นหนุนเป็นสารเพื่อเอามาข่อร่างกายที่สกปรกนี้ทําไมมันได้ไปอยู่อะไรเราไม่มองถึงความเป็นปฏิกูลของร่างกายกัมาเป็นคนหลายคีดว่าร่างกายนี้โอ้สวยงามเป็นเหมนเพชรเป็นเหมือนทองที่เราจะต้องเอาเสื้อผ้าพรที่สวยงามมามาห่อหุงไว้เพื่อรักษาความสวยงามของมันไม่ใช่หรอกมันเป็น เป็นความปฏิคูนแท้ๆเป็นโรงงานผลึกสิ่งที่เน่าเหมนออกมาตามทวารต่างๆด้วยความหนุ่มันไม่คิดอย่างหรือจะคิดว่าเป็นสพยัได้กันได้ร่าการนี้นมันไม่ต่อไปทวมไม่หายใจร่างการเป็นศพที่ไม่เดินนะคแล้วตอนนั้นยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งน่าเกลีออยใหญ่างสิ่งที่เป็นสิ่งเน่าเหมน็นต่างๆมัจะเริ่ทยอยออกมา เขาพูดถึงศพนี่ร่างก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เลยใช่ไหมนึกถึงร่างกายเราว่ามันเป็นศพแต่ตอนนี้มันยังเป็นยังไม่ยังไม่เป็นศพที่สมบูรณ์แน่ๆพอมันอยุดหายใจเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นมันก็มันก็จะเป็นศพที่สมบูรณ์ขึ้มขนมาขณะที่มันยังไม่เป็นศพมันก็ยังสมจรินต์ม็นอยู่เราไม่เอาหน้ า, นานดน ส, สองสามวันเลยมีใครอยากจะเข้าใกล้ไหม ทำไมเขาถึงต้องขายไอ้ไอ้ไอ้เครื่องกบกลิ่นเหม็นต่างๆให้เราน้ำหอมซื้อน้ําหอมมาทําไมก็มากบกลิ่นเหม็นของร่างกายไม่ใช่เพราะกลิ่นร่างกายมนไม่กลิ่นมันไม่เหมือนกับกลิ่นของกลิ่นน้ําหอมใช่ไหมเราอยากจะให้คนเขาชอบร่างกายเรากลิ่นเราล้วก็เลยไปเสียเงินไปซื้อน้ําหอมมามามาทาตัวเวลาคนเข้าใกล้เราโอ้ร่างกายนี้หอมเหลือเกินนะเพรมันก็เรืไองขอหลอกกันเท่านั้น ท, ทั้งวันนี้เลาเหล่านี้ยิ่งบางทายนี้สร้างทํามหลอกให้ต่อการมากขึ้นเนี่ยสันญกา ร, รความสวยงาม น, นี่เพิ่มมากขึ้นนี่ยทั้งผิวทั้งหน้าทั้งอกทั้งอะไรเป็นของปลอมทั้งนั้นเนี่ยมาหลอกกันไม่มีปัญญากันเลยหลว ง, ง, งไหลคลั่งค้ายกันไปเป็นบ้าเป็นบอกันไปล่ า, า <laughs> ขออภัยเลยท่าพูดตรงๆไปหน่อยดีแลครับอาจารย์พูดตรงอย่างนี้ดีแล้วครับ ชัดเจนดีครับผมคุณพัฒ น, นาครับถ้าจิตหรือความคิดชอบไปคิดลบหลูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองโดยเราไม่ได้ตั้งใจคิดแบบนั้นแบบนี้จะมีกรรมไหมครับแล้วถ้าทําจะรู้แล้วให้โทษไหมครับยิ่งห้ามยิ่งคิดครับต้องขอขอมาโทษไหมครับคือความคิดมันยังไม่เป็นกรรมแต่มันจะพาไปสู่การลบหลูได้ทางวาจาและทางการกระทํายิ่นถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมาเราควร จ, จะระงับมัน ด้วยสติใช้รอยคำพูดทอวพูดทัวหรือสองว่ากรูบาอาจารย์ท่านพิเศษท่านมีสิ่งที่ดีประเราเยอะแยะไปหมดน่าหลอกเร า, าไปลบหท่านเราอะไ ร, ไป ร, รกปลบหุดท่านเราความความชื่อของเราความไม่ดีของเราไปลบหลุดความดีขอท่านได้ไหมลบหลุดไหนก็ลบหลูดไม่ได้มันเป็นเพียงแต่ความหลงความคิดของเราเท่านั้นเพราะเราวิเศษกว่ท่านตอนที่เราจะไปําเนียบคนหนึ่งต้องถามด้วยว่า น, น่าหลอดดีกับเขาหรือเปล่าย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่า ท่านมีสีนเรามีสิคอนครบอย่างท่านแล้วเปล่าเราเพ็นแต่สินห้ายังรักษาไม่ได้ครบเลยท่านมีทั้ง227ข้อคิดอย่างนีง้บ้างคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันจะได้เปรียบเทียบตัวเรากับตัวคนอื่นข่อนที่เราจะไปตำหนิเขาเนี่ยเราดีก่าเขาแล้วหรือเราไม่มีอะไรที่จะตำหนิตัวเราแล้วหคุณรุ้งครามครับถึงสินแปดสามารถหนุนหมอนได้ไหมครัะ ทานวิตามินเป็นยาเม็ดก่อนนอนได้ไหมคะนอนเตียงปเปล่าๆไม่มีฟูกได้ไหมคะ <c oughs> ได้ทั้งหมดนึกวอนได้ทานยาได้แล้วก็นอนเตียงแบบไม่มีฟูกได้แล้ววางถามคำถามผมถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับรอาจารย์การที่ญาติผู้ป่วยกับที่ดูแลผู้ป่วยแล้วสุดท้ายนะครับแล้วเราก็ดูแลโดยร่างกายจริงๆเราไม่ถือเป็นความเห็นแก่ตัวอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ บางคนว่าคนดุนะครับเหมือนกับว่าเออเราไม่ไปทุกข์ร่วมกันกับเขาเงี้ยเราเราเห็นแกตัวเกินไปแล้วเราทุกข์เาได้ไปอยู่แล้วถ้าเราทุกข์ก็ทาให้ความทุกข์เขาน้อยลงก็ดีเรก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่ทุกหรือไม่ทุกข์ความทุกข์ในตัวคันข้าก็เท่านเนิมเราไม่สามารถดูดความทุกข์ของเขามาออกจากตัวเขาด้วยการทําให้ตัวเราทุกข์งั้นทุกขไปก็เหมือนกับมาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราทำ แล้วกา จ, จะเป็นความทุกแบบเสียแซงกันได้ความความรู้สึกมีความรู้สึกที่ว่าถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาแล้วเราจะเห็นแก่ตัวไม่ใช่หล่ะมันเป็นเรื่อ ง, งของของประเจติบุคคลของใครของมันงั้นเราไปทุกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราทุกข์ไปเปลป่าๆงั้นอย่าไปทุกกับเขาแต่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดช่วยเขาดูแลเขาให้เขา อยู่อย่างสุขสบายเท่าที่มันจะเป็นไปได้อาหารหารหน้าหาอะไรมาให้เขาเวลาที่เขาต้องการถ้าต้องการให้เราช่วยประยุงตัวเขาอุ้มเขาหรืออะไรนี้ก็ทําไปอันนี้เราเราบรรทุกบรรทบาทุกแบบนี้ให้กับเขาได้แต่การที่จะไปทุกแทนเขาไ ม, ไม่รู้สึกทุกข์กับเขามันไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราทุกหรือไม่ทุกอยู่ คุณกมลรถครักล่าวเรียนพระอาจารย์พ่อผมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเห็นพ่อเจ็บปวดและทรมานมากเลยปรึกษากับหมอให้เขาฉีดมอร์ฟีนให้แก่หลับและไม่เจ็บปวดและทําให้ท่านไปอย่างสงบผมจะเป็นบาปไหมครับและจัดเป็นอนันตริยกรรมไหมครับถ้าทําให้เขาตายก็บาปคนอย่าปล่อยให้ม้แจะว่าท่ามีการรักษาบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่ทําให้เขาตายก็ก็ครับคงจะยังถือว่าเป็นการรักษา ถ้ามีเจตนาต้องการให้อมอร์เฟียนเยอะๆให้ดับไปไม่ตื่นอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการลวนละามค่คุณเตือนใจครับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าถ้าเราจะรักษาศีนห้าต้องตั้งน้โมก่อนไหมคะแล้วจึงกล่าวศีนห้าคะไม่ต้องเพียแต่ให้รู้ว่าศีนห้ามีอะไรแล้วก็แล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีนห้าท่า น, นก็ขอไม่ต้องมีพฤติกรรมการรกักษาศี แต่ถ้าเราอยากจะทําเป็นแบบพิธีกรรมเขาก็มีพิธีกรรมรูปแบบเช่นไปว่าแล้วเวลาพระมีการอาราธนาศีลแล้วก็พระบอกศีลมันมีอะไรบ้างพระว่าตามไปเสร็จแล้วก็ถือว่าเราได้รับศีลแล้วเราเราจะรักษาศีลห้าแล้วอันนี้เป็นเป็นรูปแบบของการในพิธีกรรมแต่การการรักษาศีลที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพิธีกรรมมันอยู่ที่การรักษาท่าหรืงไม่ได้มาก บางคน ไ, ไปรับแปลอัฏฐนาศีออกจากวัดก็โยนทิ้งใส่ถังขยกไปออกจากวัดไปก็ไปกินเหล้าเลยเมื่อเมื่ออย่างที่ไปขออราฐนาแต่เพราะว่าบางทีมันเป็นพิธีกรรมเนี่ยบางทีพวกที่ไปถ่ายกระถินเนี่ยก่อจะถวายภาพกรถินก็ต้องมีการขอสินท่านก่อนพอออกจากวัดไปขึ้นรถปั๊บรถทัวร์เนี่ก็มีเหล้าเติมในรถเลยเดือดนันมๆเมาไปเลย งั้นอนี้อันนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมอย่าไปนสนใจให้สนใจการรักษาให้รู้ว่าศินห้ามีอะไรแล้วก็ตั้งใจรักษามให้ได้เท่านั้นเองแล้วอย่าไปรักษาอย่าไปขอขอรักษาสินตอนนอนหลับตอนตื่นไม่รักษาอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะตอนนอนหลับมันไม่ได้ทําอะไรนะมันไม่ได้ทําผิดศีนอยู่แล้วเรา ง, งคณฉลาดแล้วจะรลาธนาสินห้าขอ น, นอน พอเวลานอนเราจะได้รักษาสินห้าได้คมบบริบูรอันนี้ไม่โานราทันนะมันก็รักษาสี่ห้าบริบูอยู่แล้วพอเวลาหลามันทอะไรไม่ได้ที่การักษาสี่ห้าให้รักษาตอนตื่นเพราะตอนตื่นนี่ยังเป็นเวลาที่เราจะท่าจะทบาปกันไม่ใช่เวลาหลับเราพลูกไป็นพวงสีสมุนไชยผมรักษาสี่ทุกคืเลยกอนหลบ คือมือยอมรักษาเลยคุณรุดครับถ้าเรายังทําจิตให้รวมไม่ได้เวลาใกล้ตายเราก็พุทโธลูกเดียวลมหายใจขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นได้ไหมเจ้าค่ะเมื่อลำทํำดึงตอาตอนนี้ไม่ได้ตอนนั้นจะทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยิ่งมีความกลัวมีความหวาดวิตกกลางวันมีความเครียดอย่างทีมันนึกไม่ถึงพุทโธเสียน้ำใสมิจ้องไม่อยากตายไม่อยากตายเดี๋ยวกลัวตายกลัวตาย ไม่ได้สติถ้าเราไม่ฝึกสติตอนนี้ตอนถึงเวลาที่มันวิกฤติเนี่ยมันยิ่งยากต่อการฝึกเรื่องเืองที่ถึงสติได้ถึงต้องซ้อมกันเนี่ยนักงมวยนั่งซ้อมก่อนขึ้นเวทีไม่ใช่ไปซ้อมบนเวทีก็าตายนะก็พักทุกข์กนอกทางคุณนีครับการสร้างบา ร, รมีช่วยเราได้ในด้านไหนคะเออบา ร, รมีก็มีไว้เพื่อดับเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ ทำให้เราพ้นทุกข์แต่เรามักจะคิดว่าบารมีทำให้เราร่ำให้รวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตัะไั น, นั่นก็จะมีมีมีส่วนแต่เป้าหมายของการสร้างบารมีเพื่อเรามุพ้นจากความทุกข์ไม่ให้เราต้องกลับมาเวีนว่าตายเกิดอีกต่อไปแต่อันที่สองที่เรียกเป็นผลข้างเคียงก็มีได้คนมีบางรมีมักจะมีคนเคารพนับถือมีความหวาดตัวไม่อะไรทำนองนี้เพราะเขาใหญ่ อยู่ที่ก็มีบารมีในทางไหนทางยศทําตําแหน่งเนื้อทางเงินทองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่จะให้ความเหนี่ต้องมีการเคารพนับถือเขาแต่เป้าหมายที่แท้จริงของบาการเจริญบารมีเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้มีเงินใจคุณมีท่านเดิมครับบอกว่าการนั่งสมาธิได้บุญหรือบารมีคะเวลาท่านถอมอย่าง บ, บ, บุญบารมีก็อันเดียวกันนียวกัน คุณเบลครับการเดินถามพระอาจารย์ครับหากคนที่ตายในขณะที่นอนหลับดวงจิตจะตกไปพกพูงใดได้บ้างครับก็ตามตามที่ได้พูดว่าจะเข้ที่จะตืน่นมันก็อยู่ที่ผลลัพธ์ของบนและบาป ท, ที่เราทำาวว่าอันไหนมีมากกว่าถ้าผลลัพธ์คือบาปมากกว่าก็ไปอาบายถ้าผมบุญมีมากกว่าก็ไปสุขติคุณปาริชาตครับ ตอนนี้อายุห้าสิบปีแล้วค่ะชีวิตผ่านทุกสุขหมดแล้วตอนนี้คิดตรงกันข้ามกับการกลัวความตายคือไม่อยากมีอายุยืนยาวแต่ก็ไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้ทุกขหรือสุขนะคะไม่ได้กลัวแก่ด้วยค่ะแต่ไม่อยากอยู่จนแก่คิดแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะถ้าผิดควรปรับอย่างไรดีคะขอพระคุณครับก็มันขัดกันอะ่ะไม่ได้กลัวแก่แต่ไม่อยากอยู่จนแก่มันก็ตอนคําพูดตรงนี้มันกขัดกันนะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณเอาอันไหนกันแนะ่ คุณกลัวแก่ก oui. ็ไม่กลัวแก่ถ้าคุณไม่กลัวแก่คุณก็อยู่ไปจนแก่ได้ไม่นั้นต้องเหลือกอนคุณจะไปไม่อยากอยู่จนแก่ได้ถ้าคุณไม่กลัวแก่คุณกลัวแก่ก็แสดงว่าคุณคุณไม่อยากอยู่จนแก่เพราะคุณกลัวความแก่นี่แล้วมันขัดกันเนี่ยฟังตรงนี้มันก็ขัดกันเยู่อะคุณไม่ลองถามดูคุณไหนมากเหรอคุณจะอาานไหนกันแน่กลัวความแก่หรือไม่กลัวความแก่ถ้าไม่กลัวความแก่ก็ก็ไม่ต้องหนีมันไม่ต้อง เนี่ยอยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่จนจากอัสดางว่าคุณอยากจะมีความแก่เ ม, มื่อไหร่คนไม่กลัวมัคุณจะไม่หนีมันทำไมถ้ามันหาเราให้มันมาหาเราสิยินดีต้อนรับมันอยู่กับมันไปก็ยังอยู่ก็ต้องอยู่ไปนั่นเองคุณจะปรับควา ม, ค, วามคิดของคุณตัด ก, กับของคุณนักเสียรู้สึกเหล่าตัวคุณเอง คุณสายใจครับรู้สึกพร้อมเสมอต่อความตายอย่างนี้เป็นคนแปลกหรือไม่เจ้าคะก็เป็นคนดีก็จะแปลกก็แปลกแบบคนทั่วไปพระโสดาบันก็พร้อมที่จะตายเสมอครับท่านไม่กลัวความตายภาริยาบุคคลทักระดับไม่กลัวความตายพร้อมที่จะตายทุกเ ม, มื่อเแี่ยว่าแปลกก็มีเพราะแปลกเพราะว่ามีน้อยคนที่จะมีเป็นภาริยาบุคคลนั้นมีน แต่นี่เป็นความจริงหรือไม่ก็ ย, ยังไม่รู้เหมือนกันต้องไปพิสูจน์ดูลองไปหาที่มันเสียงตายดูแล้วดูว่ามันมันเป็น ย, ยังไงยังยังไม่กลัวเหมือนเดิมหรือเปล่าจะไปอยู่ที่อาจจะมีอันตรายต่อชีวิตนี่แล้วดูที่ว่าใจของเราเป็นยังไงเพื่อจะได้ทดสอบว่าเป็นความจริงหรือเป็นความความคิดเฉยเฉยเท่านั้นเองคุณธนเดชครับ แมวที่เราเลี้ยงไว้ไปฆ่าสัตว์อื่นตายแต่เรากับทุกคนแก้กับใจอย่างไรดีครับก็เป็นเรื่องของเขาอะเราไปไปไปทุกแทนเขาทําไมเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ทุกเราไม่มีเราไม่ต้องไปรับผลบาปใครทําบาปก็ต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นใครทํากรรมอนไรไว้เป็นดุลหรือเป็นบาปก็ต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นคนอื่นคนเห็นไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปรับผลของเขาไปทุกเกกับเขาทัั้ คุณโอรวิทครับกราพระอาจารย์ครับเวลาเรานั่งสมาธิพอนั่งไปสักสิบถึงยีินาทีเกิดปวดเมื่อยขาเราควรจะทํำยังไงครับอยากจะนั่งให้นานกว่านี้ครับถ้าอยากจะผ่านความปวดเมื่อยก็นั่งต่อไปแล้วก็เน้นการบริกรรมพุทโธอยายให้ใจไปคิดถึงความเจ็บปวดของของหน้ามือกายอยากไปคิดอยากขยับอยากไปคิดอยากให้ความเมื่อยหายไปอยากไปคิดอยากจะให้อยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรย เดี๋ยวไม่นาน10นาที15นาทีใจก็จะหยุดต่อต้านครับมันเจ็บปวดได้แล้วก็จะนั่งต่อไปได้อย่างสบายเพรใจสงบมีไหวขามีความสุขคุณคัติยาพรณ์ครับเราฝ่ายทำปฏิบัติธรรมคนเดียวเห็นแก่ตัวไหมคะไม่เราเวลากินข้าวคนเดียวเห็นแก่ตัวการปฏิบัติธรรมก็เป็นการให้อาหารกับใจของเราเอง ให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มการกินอาหารคนเดียวเรากินเพื่อให้เราอิ่หเราสุขเราไปกินกับคนอื่นเรากินไทยคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเวลาเรากินอาหารเรากินเพื่อราตัวเราคนเดียวใช่ไหมเราไม่ได้กินเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อพ่อแม่ของเราตัวใครตัวมันเรื่องของการกินอาหารเรื่องเรื่องของการให้อาหารใจเราในเรื่องของตัวใครตัวมันทาแทนกังไม่ได้คุณพิษเสี้ยมครับ การน้ำส ก, กัดพระาจาย์ค่ะเขากลับเียปถามว่าเมื่อนั่งสมาธิไปสักครู่เรารู้สึกเหมือนมีกระแสสู้ๆบริเวณศีรษะทําให้รู้สึกประหลาดๆค่ะแต่ก็กลับมาเฝ้าดูที่ลมหายใจต่อเราคิดไปเองหรืออย่างไรคะกาบน้าสกัดค่ะออเวลานั่งสมาธิไม่ต้องเป็นสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมันเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเองไม่มีไม่มีสาระสำคัญอะไรมีแต่โทษถ้าเราไปให้ความสนใจนเพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิ ยังอยากไปสนใจให้เรากอดตึงอยู่กับลมหายใจต่อไปเมื่อพูดโทรต่อไปไมเมราะฉะนั้นการนั่งของเราจะไม่ได้ผมและไม่ได้ความสมมุ่คุณไตรสอนครับก่อนตายทําอานาปานสติรู้ลมหายใจเอาจิตไว้กับกายถ้าจิตไม่ไปหาพบใหม่จะเข้าวิมุติได้ไหมครับอ๋อยากทาเองแต่ทาอนาปานสติแล้วก็ยังไม่รู้จะทําได้หรือไม่ แล้วมารอทําก่อนตายคุณต้องิทําก่อนที่คุณยังไม่ตายคือว่าทําได้หรือเปล่าทำจิตให้สงบรวมเป็นรวมเป็นฌานได้หรือเปล่าก่อนนะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วทาจิตให้รวมเป็นฌานได้เวลาเราใกล้กตายนี้อาจจะทําจิตให้เข้าฌานได้ถ้าเข้าฌานได้เราก็จะไปสุดพรหมโลกแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานถ้าอยากจะถึงนิพพานนี่เราต้องละสังโยชนิ ป, ประการด้วยกันก่อนถึงจะไปนิพพานได้ การนั่งสมาธินี้ไม่ได้เป็นการละสัมยตย์เพียงแต่กดสัมยตย์ไว้ให้ทำงานชั่วขาวเท่านี้คุณไทยไทยครับมีเมียน้อยผิดสีลงข้อสามไหมครับก็มันผิดประเพณีเลยประเพณีของชาวพุทธเราก็คือให้มีผัวเดียวมียเดียวนักเดียวใจเดียวถ้ามีหลายใจก็แสกิเลสมากเนการส่งเสริมกิเลสการถือสีลงนี้เพื่อเพื่อเพื่อตัด บอลไซกิเลตถึงแม้มันจะมีอยู่ข้างในแค่ตัวเดียวเมียเดียวผัวเดียวก็พอถ้าไปให้มีหลายผัวหายเมียเดี๋ยยุ่งเดี๋ยวมีเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนเจ็ดทีไปเป็นฮาเลนเลยนะครับคุณนรงติดครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะการเริ่มต้นภาวนาด้วยครับผมก็ฝึกสตินี่แหละให้ฝึกสติให้ได้ก่อนไปมีพูดโทพูดโธ้ไปทั้งวันให้ได้ก่อน แล้อให้เราเฝดูล่างกายการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิก็จะใช้คำวิริยกรรมไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะนั่งดึงลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้เวลานั่งก็นั่งได้หลายที่ถ้านั่งขัดสมาธได้ก็นั่งขัดสมาธิานั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งคานั่งกูอีก็ได้ คุณน้องหลินหลินครับสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะด้วยร่างกายปัจจุบันไม่ครบสามใบหน้าเหลือครึ่งซีกเลยหันมาลองปฏิบัติทุกครั้งที่ได้สอบถามพระอาจารย์ได้เข้าใจธรรมโอษฐ์เจ้าค่ะเลยไม่มีความกลัวตายอยากก็ไม่ค่อยทานเหมือนเดิมนี่คือผลของการนั่งสมาธิใช่หรือเปล่าเจ้าคะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความอยากกิเลส ข, ของเราเลยเป็นหลายโรคเพราะทานเยอะและอารมณ์ตัวเราเองครับก็เกิดจากทั่งสมาธิแล้วปัญญาได้รู้ว่าหลักความเป็นจริง ของชีวิตมัเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีสมาธิที่จะ ย, ยอมรับกับกับความเป็นจริงของของชีวิตได้คุณปาลิชาติครับกับพระอาจารย์อีกรอบค่ะถ้าคนที่ทานยาแล้วโอเวอร์ดสเสียชีวิตขณะกระทันหันหัวใจวายเป็นต้นถือเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะถ้าไม่เป็นเจตน า, นาไม่ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเราไม่อยากตายแล้วไปกินยามากเกินไปแล้วตา อันนี้ไม่ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าอยากตายก็แกล้งทำว่าถ้าแก้งว่ากินยาให้มากอย่างนี้ก็ถือว่าฆ่าตัวตายอยู่ดีเพราะเจตนาอยากะตายแล้วก็รู้ว่าถ้ากินยาไี่มากเกินขนาดก็ตายได้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าทานยาตามปกติตามหมอสั่งแล้วพอดีมันอาจจะมากไปด้วยอย่างไรไม่ทราบ แลวทำให้ตายไปนี้มันนี้ไม่สียว่าเป็นการข่าตัวตายอยู่ที่เจต น, นาอยู่ที่ความตั้งใจคุณภาคขวัญครับคุณแม่ได้จากไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้นะครับขอากาเบียนถามว่าทำไมชอบตื่นนอนตอนตีหนึ่งตีสองทุกคืนและนึกถึงคุณแม่วนเวียนจนเช้าตีห้าไปตักบาทเจ้าค่ะทั้งที่ก็ทำใจได้ทำบุญสวดมนต์ตลอดความผูกพันมันยังมีอยู่เรพอดี นอนนอนพัผ่อนพอมันก็เลยเติดขึ้นในช่วงนั้นเทอนี้คุณมัสเตอร์พิ e ครับพ่อใช้ชีวิตส่วนมากดำเนินไปตามความหลงเขาค่อยเ้าค่อนข้างติดเหล้าจนทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายเขามีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้คองมากแนวโน้มจิตสุดท้ายของพ่อเรื่องพวกนี้น่าจะมีผลมากหนูพ่อจะทำอะไรได้บ้างคะ ก็ถ้าคุยกับพ่อได้แนะนําพ่อว่าอย่าทำอยหางนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าควยกับพ่อไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามดุลยภาพของเขานล้วคุณสมพรครับถ้าร่างกายตอนที่โยมนั่งสมาธิคล้ายๆร่างกายมีความเหนื่อยล้าเป็นไปได้ไหมครับที่เป็นเหตุให้ ค, คิดนู่นคิดนี่ไปเรือเ่อยเปื่อยหรือว่าการคิดนี่โน่นนั่นในช่วงที่นั่งสมาธิไม่เกี่ยวกับความเหมนื่ล้าเกี่ยวกับการไม่ได้เจริญสติที่มีคุณภาพมากพอครัอบอาจารย์ครับเกี่ยวกับสติมากกว่าสตินี้มันตัว ท, ที่ควบคุมความคิดถ้าไม่มีสติมันไม่คิดได้น่างกายจะเป็นมันไม่ค่อยมีผลต่อความคิดเท่าไหร่ คุณแสงสองทางครับผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททาให้นั่งสมาธินานไม่ได้เพราะจะปวดเดินมากก็ปวดพอนอนทําก็จะหลับง่ายไปกลับเรียนพระอาจารย์ว่าควรปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับก็ก็รกาปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ยัให้ทหําอย่างไรก็ทําเท่าที่เราทําได้ทครับถ้าทำเท่าที่ทําได้ได้ทําอย่างไร คุณชนะนิลครับมีคำถามเวลาฟังธรรมจากหลวงพ่อที่เราเคารพเราฟังเฉยๆแล้วรู้ลมหายใจละเอียดมันเหมือนจะเข้าสมาธิที่ลมหายใจเราควรไปนั่งปฏิบัติหรือเปล่าครับอันนี้คำถามข้อที่หนึ่งก่อนครับอาจารย์ก็ก็ออยู่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการความรู้เราก็นั่งฟังธรรมใจเราก็ไม่ควรจะไปดูลมคนคนจะตั้งใจฟังถัดเสียงธรรมที่เข้ามาแล้วพิจารณาตามเราก็จะได้ความ แต่ถ้าเราต้องการให้จิตเข้าสมาธิเราก็แยกตัวไปนั่งที่สงบคนเดียวดีกว่าครับต่อมานะคะก็าบอกครั้งก่อนนั้นตอนฟังธรรมและปฏิบัติใหม่ๆเกือบจะละ ก, การมาราคะได้แต่เมื่อไปอยู่สถานที่ไม่ดีก็ทําให้ปิดศีลตอนนี้ออกจากที่แบบนั้นมาแล้วแต่เราก็ยังติดการมราคะเพื่อคราวก่อนนั้นมีสมาธิแล้วเมื่อไปสถานที่ที่มีสิ่งยุ่ยยุ่ยยั่วยาวแล้วเผลอไปกับการมราคะมันทําให้ราคะ ตั้งใจติดกับจิตกับกายตัวเรามานิดด้วยนี้จะมีวิธีกลับไปเหมือนตอนเริ่มเข้าธรรมะตอนปฏิบัติแรกๆได้หรือเปล่าครับเราก็ต้องหมั่นเจริญสุภาษณ์นี่มันเยอะดความชุ่ม่นสวยในงามของร่างกายดูอาการ32ำเลบสองดูซากศพเป็นต้นมันพิจารณาอยู่ยางเงครับคุณมิ้นครับ เดนถามพระอาจารย์หนูเจริญสติในชีวิตประจําวันค่อนข้างตลอดเวลาไปอยู่วัดป่าพอทําสมาธิภาวนาก็นั่งได้เรื่อยๆสลับไปเดินจงกรมได้ถึงเช้าอยู่ค่ะแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกหลุมตกบ่เหมือนที่เขาพูดพูดกันเลยค่ะตอนทาสมาธภาวนามันจะสงบบาสบายแต่ไม่วูบหายไปไหนรู้สึกตื่นตัวตลอดไม่ง่วงเลยยันเช้าจนถึงเวลาไปถวายจังหันเลยค่ะแบบนี้มีอะไรผิดปกติไหมคะอ๋อไม่ผิดแล้วบางเท่ จิตที่สบเับางทีไม่ต้องตกตกบอกก็มีบางทีในคนคนเดียวกันนี่บางทีก็ตกบางทีก็ไม่ตกก็มีบางทีมันค่อยๆสงบแล้วก็เนิ่งเฉยไปก็ขอให้มันเป็นอุเบกขาให้มันสงบมันมีความสุขก็ใช้ได้เหมือนกันเป้าหมายอยู่ที่ตรงนั้นคุณเดอะมัลติเวอร์ชวยูนิตี้ครับ อะไรคือความหมายคำว่ากายครับที่ใดบ้างเรียกว่าเป็นกายพระพุทธเจ้าซึ่งป ร, ปรินิพานแล้วพระกายที่เป็นจิตต่สังขารดับสูญไปแล้วหรือไม่ด้วยเหตุใดครั บ, บขอบคุณครับคำว่ากายีย้ความหมายหลักก็คือร่างกายนร่างกายที่มีอาการชาดูดสองในข้งขวัญใฟันหนังใน้อ็กระดูกนี้เพราะนี่คือคำว่ากายในขันงกายเวทนา เร ก, กายในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรหรือในขันห้าก็กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ์คำ ว, ว่ากายนี่หมายถึงร่างกายที่เราเห็นเนี่ยร่างกายของเราเนี้ที่มีอาการทารุสองนี้คือความหมายของคำ ว, ว่ากายคุณปัทธรมวันครับหนูคลั้งมือข่ามดไปหลายตัวตอนนี้รู้สึกไม่ดีหดหูและไม่สบายใจสำนึกผิดในสิ่งที่ทำ ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรให้ใจกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะก็ลองทําบุญให้หมดดูสิอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็นได้หรือทําโทษตัวเราเองชอบกินขนมอะไรก็ลองไม่กินอยู่สักอาทิตย์หนึง่งเป็นการปฏิบัติทำบุญให้กับมดไปก็ได้อาจจะทำให้เรารู้สึก ด, ดีขึ้นก็นนได้คุณหมวยจังครับ หากเราอยู่ท่ามกลางคนป่วยจิตจนบางครั้งเราเองก็ครองสติยากมากควรวางใจอย่างไรเจ้าคะควรรักษาสติน้อยดีรักษาจิตน้อยดีพยายามฝึกสติบ่อยๆอย่าไปไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆนอกตัวคุณสิทิยาพรบอกว่านั่งสมาธิตัวโยกตัวตัวมือลอยขาลอยขนลุกตัวสั่นหายใจแรงเจ้าคะ่ะ แส่งว่าไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติต้องนั่งแบบมีสติต้องนั่งแล้วต้องพุโทโธพุโทโธไปแล้วดู ล, ลงไปแล้วตายก็จะหนึ่งแต่ถ้านั่งแบบไม่มีสติไม่มีพุโทโธเดี๋ยวก็มันก็กลายเป็นคนเข้าส่งได้ลักษณะของคนเข้าส่งอนะ ค, คุณคุกกี้ครับปกติสวดมนต์เสร็จจะนั่งวิปัสสนาเลยจริงๆแล้วควรจะเดินจงกรมก่อนใหม่เจ้าคะ่ะ แล้วแต่คุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการวิปัสสนาคุณก็วิปัสสนาเลยพิจารณาตายรักแลยพิจารณาอสุภะพิจนาความตายเลยก็เรียกว่าวิปัสสนาแต่ถ้าถ้าคุณต้องการสติก็เล่นจังกงก่อนก็ได้ถ้าต้องการสมาธิก็นั่งแล้วนัหลับตาดูลมหายใจเข้าแล้าแต่ว่าคุณต้องการอะไรจากการนั่งเนีจากการปฏิบัติมันมีสามอย่างสติสมาธิหรืปัญญา คุณวีนาครับขออนุญาตเป็นถามพระอาจารย์ว่าการที่เราเพียรภาวนาตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและรักษาศีล5ศีล8มีสิทธิ์ได้ไปนิพพานไหมคะกับขอความเมตตาค่ะมีแต่ยังต้องทำอะไรยังเหมือนเพิ่มเยยังต้องให้ได้สมาธิให้ได้ฌานแล้วก็ให้มีปัญญาเห็นใจรักเพื่อละสัมโยชน์ให้ได้ก่อนพื่อไปถึงนิพพานได้ คุณอ้อครับนั่งสมาธิโดยนั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งขัดสมาธิถือว่าทําสมาธิถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ไม่ผิดแะเพียงแต่ว่าถ้านั่งที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมาธิเพราะเวลาปฏิบัติบางช่วงนี้เราต้องการนั่งนานๆนั่งต่อสู้กับทุกขเวทนาถ้านั่งขัดสมาธินี่จะเป็นท่าที่ที่ดีที่สุดแต่ท่านั่งเก้าอี้นี่นั่งไประยะหนึ่ง้มันอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงจะทําให้ ใช่เอ็นแบบข้างบนข้งลึกหรือนมได้แต่ถ้านั่งแบบเริ่มต้นนั่งก็ให้จิตสงบนั่งไม่นานนี่นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสบายก็ได้ไม่ติดคนแตกกันมากนะคุณจตุพลครับผมได้ฟังปฏิจจสมุ ป, ปบาทได้กราบได้ทราบถึงเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันตอนนี้ก็ได้ใช้อารมณ์ในวงจรการเกิดดับนี้เป็นอารมณ์ หรือบางทีก็ใช้บทแผ่เมตตาให้กับตนเองเป็นอารมณ์พอจะใช้ได้ไหมครับคือปฏิจาส ม, มุบาทนญเขาแสดงการทํางานของกิเลสให้หน่อยว่ากิเลสมันทานํางานยังไงกิเลสเป็นเหมือนผู้ชันชักใหญจิตใจของเราและร่างกายให้ไปไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สร้างความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เสพสัมผัสจนติดกลายเป็นเหมือนคนติดยาเสพติด เราอยู่ปัสะจา ร, รูปเสียงเิ่งว่าต่างๆไม่ได้พอร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้มันก็จะดึงจิตให้ไปเกิดใหม่นี่คือแผนที่ของการทำงานของกิเลสในการพาจิตของเราให้หม่นว่าตายเกิดดันั้นตอนนี้ได้ใช้อารมณ์ในวงจรการเกิดแบบนี้เป็นอารมณ์ไม่ทราบความหมายว่าอย่างไงการใช้วงจรนี้เป็นวัในใด การจะใช้ปฏิจจารสมบาบัตินี้ให้ไปใช้ตัดตัณหาความอยากตัวเดวหนึ่งในในั้นจะมีตัณหาอยู่ตัวนึงให้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต้องตัดตัวนี้ด้วยสมาธิแล้วด้วยปัญญาคุณโยโยกครับกลับเรียนถามอาจารครับการตามใจผู้ป่วยจัดหาอาหารที่อาจก่อให้เกิดโทษกับสุขภาพแต่ผู้ป่วยร้องขอ อยากถามว่ากรณีเช่นนี้จะบาปไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราเป็นใครเราเป็นหมอเราเป็นลูกพูดผู้ป่วยถ้าเราเป็นหมอเราก็ต้องรักษาตามตามความถูกต้องก็ต้องให้อาหารที่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ให้อาหารที่เป็นโทษกับคบนไข้เพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปคเขาก็โทษเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นลูกแล้วพ่ออยากจะกินอะไรแล้วเราก็ตามใจเพ่ออันนี้ก็ไม่บา ก็รู้ว่างาพ่อก็ต้องตายอยู่ดีอย่างนั้นกอดตายขอให้เขาอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าดีกว่าอยู่ยอย่างทรมานอันนั้นกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ อ, นนไไดอันนั้นกินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่ไปทําไมใช่ไหมดีไม่ดีอาจจะไปทําให้คนไข้อย่ากค่าตัวตายใช่ไหมครับเนี่ยบางทีก็ต้องตามใจเหมืนอนไข้เป็นตัวของเขาเองแล้วเขขอรองเขาสั่งล้วก็ทําตามหน้านที่ไปถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจรลยธรรม เช่นถ้าพ่ออยากจะเดื่มน้าเนี้ยอาจจะไม่ทําให้ถ้าอยากจะอยากจะเสพยาบ้าอะไรเงี้ยอยากยาแต่ไม่รู้กัญชาอันนี้ก็ว่าถือว่าเป็นยาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช้ค่ะถ้ันกัญชาคงจะใช้ได้ใช่ไหมเพราะถือว่าเป็นบรรเทาความเคียดได้เหมือนกันเนี้ยก็เขาว่าเนี่ยเขาว่าเป็นสันนิษฐานกันนั่นก็ไม่ผิดกฎหมายเลยช่วงวันนี้อนุญาตได้แล้วใช้เป็นใช้เป็นยารักษาคนไข้ ครับยิ่งถ้าเขาเนี่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าพ่อต้องพ่อต้องการให้เราช่วยเขาหายให้เขาว่าช่วยหายให้เข้าไปให้เขามีความสุขเถิด อ, อย่าใหเขาต้องทุกข์เลยอย่าให้เขามาต้องตายอยู่ดีก่อนนก่นอเขาจะตายช่วงนีน้เขามีความสุขทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำดีกาถ้าไม่ไปขัดหลักธรรมหลักศีลธรรมหรือหรือกฎหมายกาย็ทําไป คุณสมพรครับในแต่ละวันโยมไม่ได้เจริญสติภาวนาพุโทโธตั้งแต่ตื่นนอนอยันเข้านอนทํายังไงต้องให้มีบริกรรมพุโทโธคือวงคเล็บว่าไม่ลืมพุโทโธการที่โยมลืมพุโทโธแสดงว่าโยมไม่มีสติเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับทําไมมันยากนัะเหรอคําเดียวแตมันเราเลือกถึงมันไม่ได้เพราะเราไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจถ้าเรามีความพยายามตั้งใจมันจะไม่มันจะสุดวิสัยเลยทีเดียวให้เราเลือกคำว่าพุโทโธครับ กาไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ไม่ท่าจะตอบว่ายังไงก็ต้องมีอธิษฐานมีศัจจามีความตั้งใจที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธมีศัจจเคือไม่ลืมไม่เผลอไม่มีความตั้งใจที่แน่นาคิดถึงพุทโธอยู่เรื่องจะลืมไม่ได้ไงเวลาเรานไ่นกลับไปจะไปเจอคนที่เราชอบไม่ลืมไหมไม่ลืมนะไหนกับเขาวันไหนเวลาไหนจําได้ตลอดเวลาเลยถึงเวลาไงถึงเวลาจะไปเจอเขา แต่พุโทโธนี่มันไม่ได้มีรู้สึกว่าใหม่ๆไม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์อะไรของเราเราก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเราได้รับผลจากพุโทโธแล้วต่อไปเราจะไม่ลึมเราะจะเห็นคุณค่าของพุโทโธว่ามองว่ามันทําให้เราได้พบ ก, กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขชัว่วครู่คุณชูชิตครับการตัดบาทพระกับนําของนั้นไปให้พ่อกับแม่ผลบุญต่างกันอย่างไรครับอันไหนมีผลมากกว่ากันครับ ก็ไม่ต่างกันสําหรับสําหรับผู้ให้ให้พ่อให้แม่หรือให้กับพระมันก็เป็นการทําบุญเหมือนกันหรือให้กับขอทานก็เป็นการทําบุญเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าให้พ่อให้แม่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุเราได้ความกตัญญูกตเวทีด้วยเรามีความจำเนืในบุญคุของพ่อแม่เราก็เลอยากจะเลี้ดูพ่อแม่ตอบแทนบุญคุที่พ่อแม่ไลี้ดูเรามาอันนี้ก็จะมีความรู้สึกเป็นอย่ ให้ขอทานมันก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างแต่ก็ยังมีการเสียสละแบ่งปันอยู่ให้พระก็เป็นก็มีความรู้สึกอย่างให้พราเราอาจจะรู้สึกว่าเราช่วยทํานุมบารุงโลกมิจฉาสนาให้มีให้ทํามีธรรมะอยู่ในโลกนี้ไปนานๆมันก็เป็นความรู้สึกแบบแต่โดยหลักใหญ่แล้วสิ่งที่เราได้คือการเสียสละนี้นเท่ากันเจ้าหนึ่งน้อยบาทจะให้ใครก็ตามก็ก็ถือว่าเราได้เสียสละเหนกัน เรก็ได้อันนี้สมจากการเซ็นทรัลนะครับหรือเราว่าจจะมีความอิ่มใจสุขใจที่ได้แบ่งปันของที่เรารักเราดูให้กับคนเหมือนบ้างให้เขาได้รับผลสิทธิ์จากการแบ่งปันของเราบ้างอันนี้ไม่ว่าจะให้กับใครก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่อย่างอื่นนี้อาจจะแล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานะของคนที่เราให้แปลว่าเขามีเขาเป็นใครมีความสําคัญอย่าง คุณนิยายครับทําสมาธิจิตรู้ความคิดออกนอกไวขึ้นสลับรู้ลมหายใจความคิดไม่ค่อยฟุ้งแต่ไม่แน่ใจว่ากําลังบังคับความคิดตัวเองอยู่หรือไม่ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะไม่หรอกเราเพียงแต่ให้เราอย่าไปสนใจของความคิดให้เราอยู่กับลมหายใจก็เมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับมันต่อไปมันก็หยุดคิดเองคุณวีนาเขียนคําถามไม่จบนะครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนเราเอาของไปเส้นไหว้ลูกของรม เส้นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ถ้าอยากจะเส้นว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ให้ปฏิบัติบูชาได้บ้างพุทธเจ้าบอกการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้อ ง, ต, องต้องปฏิบัติบูชาคือทําตามคําสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรารักษาศีลแล้วรักษาศีลให้เรานั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิอไออย่างนี้จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเอาของไม่เส่นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่รู้เรื่องกเก็เป็นตุ๊กตา เทวดลูกประเดี๋พุทธลูกประเดี๋ยเป็นเพียงเป็นตุ๊กตาเป็นวัตถุก็ไม่รู้เรื่องเป็นตัวแทนที่เราสร้างสมมติขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเช่นนีแล้วก็เหมือนกัเล่นเหมือนกับเด็กเล่นของเล่นเหมือนได้ตุ๊กตามาแล้วก็เอาของเส้นมาไหว้ตุ๊กตาที่เราได้มาเป็นเป็นการเล่นของเล่นไม่มีไม่มีประโยชน์เลยทางด้านจิตใจถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจต้องปฏิบัติบูชา คุณอารีครับนรัศการพระอาจารย์ครับตอนที่แม่เสียในช่วงเจ็ดวันแรกจะได้กลิ่นเหมือนดอกไม้ในงานศพคืออะไรคะส่วนใหญ่ก็เป็นองประธานของเราเนะความบางทมีมีกลิ่นนูนกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นสดขึ้นมาคุณเล็กน้อยครับอยากไปพระนิพพานชาตินี้ต้องทำอย่างไรคะต้องรักสัโยोชนิพ์ให้ได้จนะรับสัมยชนิพให้ได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นใ แ, แล้ว มีปัญญาเห็นใจรับได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาะมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสินแบและมีสินแบได้ก็ต้องทำาุญททานฉลาดรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเพื่อจะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมไม่เอาเวลาไปหาเงินใช้เงินต่อไปเลิกใช้เงินเลิกหาเงินคุณแอปเปิลครับ สงสัยค่ะว่ากระเทยสามารถบวชเป็นพระภิกษุได้หรือไม่คะปัจจุบันเห็นพระกระเทยมากขึ้นทุกวันเลยสงสัยค่ะกระเทยในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่ามันดอะไร่อยใช่ไหครับในสมัยพุทธกาลก็ห้ามบวชพวกมันดอกอย่าไปทามาบวชกาไม่ได้มาบอกเข้าเป็นกระเทยเราจะไปรู้ได้นะเขาเป็นกระเทยอันก็มีอวัยเพศถ้วเขาไม่มีใครติอวัยเพศอย่างนเวลาาบวช เขาไปน่ะถามว่าเป็นหญิงเป็นชายอะไรแค่นั้นเองแล้วก็เห็นว่าเป็นชายเ้าก็เขาก็รับบวชได้แต่วัดด้วยบางบบวัดก็ไม่ค่อยที่จะละบวชไม่ค่อจะเลือกบวชเท่าไหร่ใครอยากจะมาบวชก็นับให้บวชได้ถ้าจะไปบวชทางสายพระ ป, ป่ามัดป่านี่เขาไม่ได้ดูแต่เพศอย่างเดียวเขาดูพฤติกรรมว่าสามารถจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อมัญญปฏิบัติตา่ตางๆของว่าได้ไหรือไม่ ก่อนที่เขจะให้มาบวชอยู่กับเขานี่น่าจะต้องให้มาอยู่เป็นผ้าขาวเป็นเป็นเดือนเป็นปีก่อนค uh huh. การบวชสมัยก่อนเขาใชบวชแบบนี้เขาต้องเลือกเฟ้นคนเหมือนกับสอบเอ็นท่านก่อนว่าเขาผ่านสอบเอ็นท่านได้หรือเปล่าเขาอยู่แบบพระได้หรือเปล่าเขาอยู่กินแบบพระได้หรือเปล่าเ uh huh. ขาอ่อนน้อมทําตนเป็นผู้สามารถรับนับใช้รับคําสั่งของผู้ที่ใหญ่กว่าเราได้หรือเปล่าผู้อวุโสกันเราได้หรือเปล่า อะไรต่างๆเนี้มันเป็นเครื่องวัดควพร้อของการที่จะมาบวชแต่เรื่องเพศนี่ก็ต้องเป็นชายสมบูรณ์แบบจริงๆถึงจะบวชได้แต่ถ้าเป็นกระเทยนี่ในสมาพุทธการก็มีข้อห้ามอยูน่นะครัเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเพราะกะเทยชอบผู้ชายเนะถ้าเดี๋ยวไปอยู่ใกล้พระที่เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็อาจจะมีการจีบกันมีการอะไรกันขึ้นมา แล้อว่าอเมริกาทำผิดศีลปรราชิ่กันขึ้นมา้วมนุษึกตัตรูคุณนุชครับเป็นคนขี้เหงาอยู่คนเดียวไม่ได้จะมีความกระวนกระวายเวลาไม่มีอะไรทำมีวิธีแก้ไหมคะเพราะจิตเราไม่สงบไลยเราไม่เค้ฝึกสมาธิตัจิตเราสงบแล้วเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเหงแต่ถ้าเราไม่มีการสงบจิตเราจะอยากจะมีคนไั้นคนนี้ใกล้ตัวเราเพื่อแก้วความวอกปากย อยากเสียงด้วยเสียงกินนัดของคนทําให้เราเพลิดเพลินพอเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสียงให้เราเพลิดเพลินแล้วก็เลยรูหนาวขึ้นแต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิจิตสงบได้เราจะไม่รู้สึกหนาวเพาเราจะได้ความสงบเป็นเคลื่อนแทนที่เป็นเพื่อนที่ดีกว่าคน คุณสงพรครับถ้าโยมทำบุญสม่ำเสมอแต่ทำครั้งละไม่มากทำตามกำลังตามที่ใจมีความพอใจเป็นหลักทำบุญทําทานอย่างนี้โยมทำถูกทางแล้วหรือยังครับถ้าถูกอะทำได้เท่าไหร่ทำได้ยี่มากยินดีทำน้อยก็ได้น้อยทำมากอะไรมากคุณจิมมังครับ อาจารย์เจ้าขาทำบุญกับพระสงฆ์หรือทำบุญกับคนทุกยากสิ่งใดได้บุญมากกว่ากันเจ้าขาได้เท่ากันเนี่ยถ้าการจํานวนของที่เราเสียไปมันเท่ากันทำบุญร้อยบาทกับพระทำบุญครับร้อยบาทบคนทุกยากเราก็ได้บุญร้อยบาทเท่ากันแต่ประโยชน์ต่างกันประโยชน์ของทูกแล้วทำบุญกับพระก็ถ้าเราทำบุญทำเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาทำบุญกับคนทุกยากก็ก็ เคยบรรเทาควมทุกข์ยากของคนที่เข้าเหนือตอนแต่ไทยไหมคุณอธิชาครับป้าจานครับไปทําบุญวัดที่เราเคยไปทำ บ, บุญเป็นประจําและพอดีวัดนั้นท่านมีเจ้าวาดได้รองเจ้าวาดชุดใหม่มาและการจัดงานทําบุญเปลี่ยนแปลงทําให้วุ่นวายกว่าเดิมและใจเราเผลอคิดไม่ดีว่าทําไมทําแบบนี้เดอไม่ทําแบบเดิมเผลอพูดกับเพื่อนที่ไปด้วยรวมถึงพอฟังท่านพูดแล้วไม่เกิดความศรัทธา แบบนี้หนูจะบาปไหมคะหนูจะเลยจะกล่าวขอขอมากรรมไปคะ่ะไม่บาปเพราะมันเป็นเรื่องปกติของคนเราเวลาที่มีอะไราการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะรู้สาเหตุล้วทําไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องมีตุนลกันแน ค, นค่ไหนได้ถ้าเก็สามารถแจ้งให้เราเข้าใจได้ก็ความสงสนันก็จะได้หมดไปแต่ถ้าเขาแจงแล้วเันไม่เคลียร์ไม่ชัดมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเกิดความเสืส่อมศรัทธาได้ แต่ชุดใหม่ที่มาบริหารได้เราก็อาจจะไม่เข้าวัน น, นั้นก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียหายก็เหมือนร้านอาหารที่เราเคยไปกินประจําอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนผู้บริหารแล้มีวิธีทําอาหารที่แปลกไปที่ไม่เหมือนกับของเดิมเนี่ยเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากจะกินแล้วก็เปลี่ยนร้านนะอาจจะไปตามตามผู้บริหารชุดเก่าเขาไปเขาไปเปิดร้านใหม่ที่ไหนเราอาจจะไปไปไปที่นั่นก็นได้ การมันเป็นเรื่องของของความพอใจนะไม่ใช่เป็นเรื่องของบาปดรืยอบุญแต่อย่างไรคุณพันทิพย์ครับป้าอ่านหนังสือไม่ค่อยออกควรให้พยายามสวดมนต์บทไหนดีคะสวดบทสั้นๆที่เราจำได้แหะพุโทโธพุโทโธคำเดียวก็พอป้าถ้าอยากจะสวดมนสวดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนี้ก็พอแนละ้ว เพื่อจะให้บันญาวกวานั้นงก็พุทธโททำโมสามโคพุทธโททำโมสามโคไปก็นด้นดี๋ยวจะให้ยาวกว่านั้นก็พุทธทางสระนังกระชามิทำสระนังกระชามิสามคั้งสระนังกระชามิส่วนมันมวนไปหลายๆลารอบไปส่วนมันจึงกว่าจะรู้สึกเย็นสบายค่อยหยุดไปคุณธนพัฒน์ครับสมัยนี้โคช้ชครูทั้งหลายจะสอนให้คนคิดบวกตลอดเวลา โปรแกรมจิตให้มองทุกอย่างในแง่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องมองลบในแง่ที่ไม่ตอบความจริงเพราะโลกเรานี้มันมีทั้งบวกแล้วที่มีทั้งลบถ้าเราไปคิดแต่ทางบวกเดี๋ยวไปเจอเรื่องที่เราเราจะทจําใจไม่ได้ดังนั้นทางที่ถูกต้องต้องมองทั้งสองทางทางบวกก็มองทางลบ ก, ก็ต้องมองเช่นลากหรือสารสื่สูงเนี่ยมันมีเลนนินมันก็มีเสื่อมได้ แต่ก็สอนว่ารเราต้องมองแต่เรื่องการดำเนินหน้นาเพิ่มรายไเสริมเพียงอย่างเดียเราจะต้องรวยขึ้นเราจะต้องมีตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีคนจัดสรรเงนินยอะมากขึ้นอันนี้มองแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงเราอยู่ในโลกของอ น, นิจจังไม่เที่ยงไม่ขึ้นอย่างเดียวมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเน้เราต้องมองเวลาขาลงด้วยในตอนนี้เศรษฐกิจลงนะขาลงหุ้นลง แล้วค่าของที่แพงขึ้นอะไรเหมือนกแพงขึ้นน้ำมันขึ้นอะไรเราจะไป ม, มองว่ามันน้ำมันจะอยู่คงที่จะถูกไปตลอดมันมองมองนี้มันแทเท่ากับหลอกตัวเองใช่ไหมเหตนั้นต้องทางพุทธศาสนาจึริงๆให้เรามองทั้งบวกและลบเพื่อที่เราจะได้หัดทาใจเวลาที่เราเจอส่วนลบเวลาเห็นส่วนบวกนี่มันทําใจง่าย เวลาลวยขึ้นนี่มันทาใจง่ายกว่าเวลาจนนงใช่ไหมครับ่ ค, ครับคุณแสงวนครับกับเรียนถามผ า, าจาร์ค่ะตรวจเลือดรู้ว่าน้ำตาลขึ้นสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมคามากนอนไม่หลับแต่พอหลับตาแล้วท้องพุดโทรหลับไปโดยไม่รู้ตึกถือว่ายังมีสติอยู่หรือเปล่าคะนักพิการค่ะถ้ายังหลับได้ถือว่ายังมีสติตอ ย, อ ย, อ ย, อยู่ที่จะหยุดครับที่หยุด ค, ความกมลได้ บางคนที่นานไม่หลับเลยว่ามัวแต่คิดมัวแต่ความกังวลเรื่องเรื่องน้ําตาลอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติย่ำยังขาดทุนชาตได้เลยคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณดวงใจครับการดูการเคลื่อนไหวเหมือนเราภาคเลยไหมคะเช่นกําลังจับกําลังหยิบอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ต้องภาคก็ได้ให้รู้เฉยๆว่าเราทําอะไรกำลังตักข้าว เข้าปากกำลังเคื่อนรำลังเกินก็ดูเฉยๆแต่ก็ได้แต่ถ้าอยากจะพาก็ได้ในข้อห้าแต่มันจะรู้สึกมันจะมันจะยุ่งยากมากกว่าไม่จำเป็นต้งตองพากไว้เราอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำ ต, ต่างๆของเราก็พออย่าให้ใจเราไปคิดเรื่งองหมดอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมใน f ฟ c e b o o เก้า้อยสิบเก้าคนในยูทูเก้าร้อยหนึ่งคน ในครับเฮาส์ยี่สิบสามคนรวมคนวันนี้ฟังทำด้วยกันหนึ่งพันแปดร้อยสี่สบสามคนครับพอาจารย์ครับพวันนี้มากนะวันนี้ช่วงบ่ายก็เพิ่เกือบพันสองแล้ววันนี้ถ้ามุมย้อยกันแล้วระเกอบสองพันสองพักว่าคนะรับก็เป็นสิ่งที่น่า ย, ยินดีที่มีคนสนใจศึกษาและปฏิบททัติทำเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนเมื่อแต่งทําชนะลดทันปลุกนั่นก็ให้พไวกเราพยายามฝ่ายทำและปฏิบัติทำกันต่อไป เวลาจะได้ลดชมัยกบรลแห่งธรรมที่เป็นอรมตะมีความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงนั้เอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าใน่งธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุขอลเป็นหมอไปน้าท่านผู้ชมผู้ฟังไปเท่าไ โอกาสหน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นนี้ครับขอบคุณรครับขอบาจารย์ครับ